จเจริญพนท่านสาธุชนพุทบริสัตว์ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบปะกันในครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามตามแนวของการปฏิบัติทานสีลภาวนาใครมีความสนใจก็ขอเชิญเข้ามาคุยกันได้วันนี้จะเริ่มตอนที่คุณหมอพิเชษก่อนคุณหมอ กี่ับนักาการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วย อ, อธิบายอยู่กับความทุกข์อย่างไรให้เป็นครับรอาจารย์อยู่กับความทุกข์อย่างไรให้เป็นก็คืออยู่กับความทุกข์เวลาทุกข์เกิดขึ้นก็ให้ใช้สติหรือใช้ปัญญาทำใจให้เฉยๆไว้อเมื่อมันเกิดนะ้วมัน ก็เป็นสิ่งที่เราจัดการกับมันไม่ได้นี่หมายถึงถ้าพูดถึงทุกขเวทนาทุกขเวทนาเป็นตายรักอ น, อนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนันตตาไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เวลาเขามาเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปให้เขาหายให้หายมันก็ไม่ได้ ถ้าเราจะไปทุกร้อนมันก็จะทําทให้ใจเราทุกข์ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเราใช้สติหรือทำใจให้เฉยเฉยอย่าไปทุกร้อนอย่าไปอยากให้มันหายรักษาไปหายเมื่อไายก็หายแต่ทวงที่ยังไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปเท่านเองอันนี้ยกตัวอย่างทุกข์ที่เกิดทางร่างกายแต่มันจะมีทุกข์ที่เกิดจากเหตุการณ์อื่น บางทีร่างกายไม่ได้เจ็บแต่มัน ก, ก็เป็นเรื่องของทุกข์กับเรื่องของคนนั้นทุกข์กับเรื่องของคนนี้มันก็แบบเดียวกันเวลาเวลาเวลาไปเจอสภาพที่ทําให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจอากาศร้อนอะหรื่ออะไรอากาศหนาวอะอดอยากขาดแคลนอะไรทุกข์รุนในรูปแบบไหต่าง ถ้ามันเป็นทุกข์ให้ธรรมดามันก็เป็นสิ่งที่มันแปรปรวนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่ไป <c oughs> ไปวุ่นวายกับมันไปยอมรับกับสภาพที่มันเกิดขึ้นใจของเราก็จะไม่ทุกข์ที่เกิดใจของเราทุกข์มันก็แบบเดียวกันใจของเราทุกข์ก็เกิดกิเลอันหาของเราอีเอง อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้หรือแม้ร่างกายเหตุการณ์รอบตัวเราไม่มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์แต่ใจเราก็ยังไปไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อันนี้เรื่องความทุกข์ทางใจทางร่างกายเราสบายดีไม่มีไม่ทุกอย่าง เรียบร้อยดีร่างกายไม่เจ็บไายได้ปวดไม่ออนอยากขาดแคลนไม่มีอะไรแต่ใจก็ยังทุกข์ได้อันนี้เรื่องทุกข์ทางใจมันก็ใช้แก้วิธีหน่อยก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาแต่เพียงแต่ว่าทุกข์ทางใจนี้มันมีสาเหตุที่เราสามารถละงลับได้คือความอยาก อ, อยากออยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ ในช่วงนี้อยากจะเป็นนายกกันอยากจะเป็นผู้แทนกันก็อยู่ไม่เป็นสุขนะต้องวิ่งกันถ้าถ้ารู้ว่ามันเป็นทุกก็อย่าไปวิ่งมะไม่ต้องไปเป็นถ้ามันจะเป็นให้มันเป็นเองเราไม่ต้องไปวิ่งมันอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกข์ทางใจ ทุกทางใจนี้มันต้อ ง, งระงับด้วยด้วยสติด้วยปัญญาอย่างใดอย่างห น, นึ่งระงับด้วยสติพุโทโธพุโทโธพอความอยากนะ ง, งับตัวรองชั่วข่าวมันก็ทุกขหายไปแตพ่พอสติหมดกำลังมันก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้เพราะความอยากไม่ได้ตายด้วยสติเพียงแต่ทุกข์ สติกดไว้แต่ถ้าาใช้ปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปทํานั้นเกิดไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปอะไรจะเป็นให้มันเป็นไปใจเราก็จะไม่ชุกข์กับสิ่งที่เราไปวิู้จักคำมันด้วยก็แบบเนี้ยคงังเป็นแนวเดียวกันแนวเดียวกับ ส่วนใหญ่แล้วก็ไปทุกกับสิ่งภายนอกใจเราอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ยิ ง, งเวลาเราอยู่ในสภาพที่มันที่ทำให้เราไม่สบายใจเราก็ต้องหัดทำใจพุทโธพุทโธทำใจให้เลี่งพิจารณาตายรับไป เรจะเข้าใจไ้มคุณหมอเข้าใระากขึ้นเลยครับขอบคุณอาจารย์นะสูงกับถ้าใจเราไม่ทุกข์แล้วมันทุกทางทางวิธีงานมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาถ้าใจเราเฉยกับมันได้ไม่เป็นปัญหาขับใจแต่ถ้าใจเฉยไม่ได้ใจอยากจะให้มันหายไปอยากให้ความทุกข์หายไปอะไรมันก็ทําให้ใจเดือดร้อนขึ้นมา ทุกสองชั้นเราสามารถจะดับทุกในใจได้เพราะเรารู้มันในเหตุด้วยความอยากเมืองกิเลสของเราแต่ทุกภายนอกมันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระของมันเหมัอนฝนตกเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดเองน้ำท่วมเดี๋ยวมันก็หายท่วมเองอผ่นดินไหวเย็นไห่นดินไหวมันก็ผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ก็ต้องทำใจแล้วกับตามไม่แน่นอนของสภาวะธรรมทั้งปวงการพิจารณาสภาวะธรรมเหตุการณ์ป ร, กรากฏการต่างๆแล้ว่ายาย ก, กับสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็่ว่าตามมันก็เป็นของไม่เที่ยมเนของที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้วิธีแก้ปัญหาะระยะ ย, ยาวก็คืออยากกลับมาเกิด มย่ามาเกิดในโลกของตาแล้วโลกที่เราอยู่กันนี่การมาพบอุาบาภพอรูบาะพนี่เป็นโลกของตายแล้วโดยยาเราจะอยู่การมาพบกพบันอุาบาภพอรูปาภพนี่มันสําหรับผู้ที่เข้าฌานได้เขาไม่ค่อยทุกข์เลยแต่เขาก็ยังทุกข์อยู่กับความไม่แน่นอนของฌานนะพวกเราจะทุกข์กับรูปเสียงเกิดรัตตต่างกับเหตุการณ์ต่างอยู่ เป็นทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเรามีหลักธรรมก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาถ้าไม่อยากจะเจอแบบนี้ก็อย่ามาเกิดลองตัดความอยากตัดกิเลสให้หมดไปจากใจทำให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไมมันบวชพุทธเจ้ามาบ้าล่ะนั่นม่เอาแล้ว กับโลกนี้โลกทัางสามโลกการมาพบ อ, อารมณ์บรูพออารมณ์แ บ, บบั้นมันเั็นโชคเพ่อมันเป็นตายรับเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาพย <c ười> ายามบองมองตายรับอยู่เรื่อยถ้าจะใช้ปัญญาขอบพระคุณพระอาจารย์โอเคเป็นงไงปฏิบัติดีไหมยังปฏิบัติอยู่หรือเปล่าปฏิบัติทุกวันครัอบอาจารย์ ก็ต้องสมาธิได้ได้ลึกอยู่ในนานแต่บางวันก็เขาเขาได้ไม่ลึกมันก็ยังล้มลุกคุกขานแล้วก็เจริญปัญญาด้วยการฟังธรรมเทศนาอาจารย์ทุกวันเวลาไม่เข้าสมาธิการเจริญสติอยู่เรื่อยคอยควบคุมความคิดเวลาจะคิดกายคิดไปทางปัญญาอยมาไปคิดทางโลกอย่าไปคิดทําราบหรือสารเสริญสุด ครับอาจารย์น้องนำไปปฏิบัติครับอาจารย์คุณโยมสาธากาอยากใช้ไนดน้เว่ายังไง อ, อทิที่ผ่านมานี่ปิ๊กแตกไปสองทีคอะไรนะ ป, ปี๊บแตกปิ๊กแตกไปสองทีแปลนสติแตกไปสองทางก็แบบก็บอกว่า อันไหนที่เราไม่ชอบเนี้ยค่ะก็บอกแล้วว่าเราไม่ชอบแต่ทีเนี้ยเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบแกลง้งเขาก็บอกเขามีความสุขถ้าแกล้งแล้วลูกปีด๊ดลูกก็เลยแบบเอามือตีหัวยังไง้็เราไม่มองเขาเห็นเป็นตายรักเราไม่ไม่ใช่ลูกลืมอาจารเราเป็นตายรักเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะชอบแกล้งเราแล้วก็ห้ามมราไม่ได้ ลูกก็บอกแเราลูกไม่ชอบไม่ชอบเขาก็แบบแกงแล้วลูกก็ปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วลูกก็แบบเอึมันนึกได้ดาวอาจารย์ล อ, อยว่าแต่ลูกก็นึกได้พ่เสร็จแล้วเขาก็เขาก็อนันต์อาจารย์เขาบอกรู้ไหมทําไมเขาไปกดเขายอมหยุดเย็นลูก <c oughs> อายเลย <c oughs> ประมาณแบบ อ, อืแ <c oughs> สดงว่าเขาก็ต้องต้องอนันต์แน่เลยอาจารย์เขาดู เขาว่าลูกอะเป็นกดเพราะเขาว่าชอบชอบดู mm. ดั้งโลกลูกอะไปเข้าเฟซเขาแล้วก็กดเฟซเฟซพระอาจารย์เข้าไปด้วยนะกลวเขาคงจะแอบศึกษาเหมือนกัน mm. เขาบอกว่าลูกอะทำไม่เห็นได้เลยลูกก็บอกว่ามันต้องค่อยค่อยฝึกแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่าลูกยังกดอยู่เนี่ยแสดงว่าลูกยังปฏิบัติตไม่ดี ก็ดีเขาก็ได้เป็นเหมือนกับเป็นมารทดสอบใจเราเป็นด้วมารบอกมีบารมีบอกเกิดนะใชอันนั้นแบบชัดมากเลยอาจารย์แบบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบสมัยก่อนที่มันปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊อะไรนะอาจารย์ึือมันก็รู้บอกเกิดแล้วก็รู้ทันมันก็หยุดมันไม่ไม่ไม่ได้แบบโกรธแบบนานเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี้แบบเต็งวัน ว่าเราปีติเราคอยดูใจเแลวดูแล้ว่าเบกแตกแล้วมึงบเหยียบเบกทำไมอื่นถึงไม่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่กับแป้นนี่แบบเอเราประมาทเราไม่พิจารณาคนใกล้ตัวเราใช่ใช่แบบสองัางเลยาอาจารทุกวันอย่าประมาทอย่าไป อย่าไปคิดว่าคนใข้ตัวเราจะไม่มีเลือเขาแย่ oh, yeah. ตลอดเลยแล้วเปอเอินนะป uh huh. วกวันนั้นเนี่ยลูกก็พยายามแล้วเขาแบบเขาว่าจะตื่นประมาทแบบนอน <c oughs> แล้วทีนีน้เขาบอกว่าลูกเขาชอบกึกกักกึก ก, กักไปอยู่ข้างหลังบ้านก็ลูกขิวอย่างเงี้ยค่ะประจารย์ลูกขิวไวเราก็บอกว่าเสียงดังลูกก็เลยว่าอ่างนั้นลูกก็อดทนจนกว่าเขาจะตื่นนอนแล้วลูกค่อยจะกิน อีวันนั้นมันก็เลยแบบพ อ, พอเขตื่นมาเขาก็าาแย่พอแย่เสร็จเด็กกลัวด้วยอารมณ์ที่ลูกแบบขิวข้าวเลยไงอาจารย์ลูกก็เล็กเดี๋ยวฝึดใหม่เมื่อโอเคครับเพราะว่าสอบตกแล้วต้องรีบไปคิดทำแก้ใหม่แก้ออกมาโอเคนะค่ะค่ะดูะจ้าแม่กับเจษที่ กระลาเป็นพิธีารพระยามครับมายังไงมีอะไรมาเสนอมั้ยมีอะไรมาวันนี้ม่มีทางถาวครับอย <c oughs> นั่งไมา่าน <c oughs> นั่งได้ <c oughs> นั่งเล่นนานยังนั่งอยู่รึเปล่านั่งอยู่ครับนั่งสมาธินะไม่ให้นั่งเล่นเกมนะช่องนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเนเออนาฬิการันทีสองยังจําได้อยู่อ่าจาได้ครับ อาะต้องโชว์เพื่อนๆอะเ้มีเพื่อนกำลัค่ะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับถังผืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษนน้ำดีน้ำเส็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือ น้ำมันค้นน้ำตาลน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาลน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉลดน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้าเยื่อในกระดูกกระดูก เอ็นเนื้อหนังความไดขนผมค่ะครับโอเคกายของเรานีแล้วเป็นอย่างนี้แล้วนะครับพยายามจดจําไว้ทุกวนะันนะอย่าลืมนะแล้วอิทธิกรเกิดมาแล้วเราต้องเป็นอะไรบ้างเกิดแก่จุดตายอ่อยาเกิมาแล้วต้องแก่ล้มลุกหลัแก่ไปไม่ได้ เองเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไม่ได้ต้องตายเป็นธรรมดาลงพ้นความตายไปไม่ได้นะะ<อ>ต้องพัดท่าจากทุกสิ่งทุกอย่างไปครับ<อ>จําไว้นะทราบไว้นะของจริง<อ>ไว้นะปุ้ยเป็นของจริงนไม่ใช่ของเล่นครับ<อ> เวลเห็นคนเวลาเห็นคนเจ็บไข้เวลาไปเยี่ยมใครที่เรงพยาบาลก็กต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขานี่แหละนะ <Huh. S 1> เวลาไปงานศพก็บอกนี้แหละต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องเป็นซากศพไม่ต้องกลัวร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเราเป็นยูเซอร์ของร่างกายเราไม่เซอร์ <Yes. S 1> ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย <Huh. S 1> huh. ร่างกายเป็นเหมือนตัวที่เราเล่นในเกมใช่ไหมครับตัวที่เล่นในเกมกราเรานี่คือเขาละคนใช่ไหมครับตัวที่เล่นในเกม้ถูกยิงตายเราก็ไม่ได้ตายกับมันในชะ่ไครับอันนี้นะในร่างกายไม่ได้เป็นตัวเรานะเราเป็นยูเซอร์เราเป็นคนเล่นเกมกับร่างกายนี้ครับ เข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคยังไม่ต้องกลัวนะแต่แต่อย่าลืมจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าทั้งวันจะต้องทิ้งร่างกายนี้ไปนะครับทั้งของคนอื่นด้วยครับของเราด้วยนะของพ่อของแม่เขาก็ต้องทิ้งไปเหมือนครับครับถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปต้องร้องจะร้องให้ไหมก็อาจจะหน่อยครับ <laughs> ทำไมต้องเลงให้เลยเราให้แล้วได้อะไรมะครับนะครับไม่ต้องรล่าให้แล้วทำใจเฉยๆนะครับถ้าร้องให้แสดงว่าเราอยา ง, งยังรากยังหัวยังยึดติดกับเราอย่างยังไม่อยากให้เขาไปทำให้ใจเราเศร้าแต่ถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างต้องมีวันสิ้นสุดลงต้องมีการจาก จากกันเป็นธรรมดาครับเราก็จะไม่เศร้าเราก็จะเฉย ๆ, ๆรวมทั้งของต่างๆที่เรามีอยู่ของเราที่เรารักเราชอบวันดีขึ้นนี้อาจจะหายไปก็ได้เรามีอะไรบ้างที่เราชอบที่เรารักที่เราหลงตอนนี้ตุกตต๊กตาตุ๊กตา เกิดถ้าหายไปทำไมต้องให้เขานะไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอะไรจะหยุดกับเราไปตลอดนะอาใจไหมเข้าใจครับพยายามฝึกคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆล้วต่อไปเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เศร้าใจเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปค่ะโอเคนะพยายามนั่งสมาธิด้วยนะถ้าไม่นั่งสมาธิก็จะทําใจไม่ได้ เวลาสูญเสียอะไรไปก็จะร้องไห้จะโกรดขึ้นมาแต่ถ้านั่งสมาธิใจนิ่งได้ใจ้สงบได้ก็จะเฉยเยได้ครับโอเคนะขอบคุณอาใจใหม่อาทิตย์หน้าครับครับขอบคุณพระอาจารย์ครับอาแอปเชี่ยงม่ยหาลูกมาเลยลูกสองคน ลูกหญิงลูกชายทั้งลูกผู้ชายทั้งลูกผู้หญิงคนนี้เขาต้องวันนี้เขาอยากจะพระอาจารย์ครับที่วบเลยคุณทราบทีกวบครับสิบเอ็ดขวบค่ะอ้หญิงเียบียงพิงเก้าขวบค่ะกขวบนะอสามถึงเก้าขวบใช่ไห้ปสี่สี่ครับเปิดต้นปีครับพระอาจารย์อ่าปสี่ ชีวิตก็ปวห้าปอหกปวปวอะไรครับพี่ครับปวห้าครับปวห้าครับปวสี่กับปอห้าพอดีเมื่อวานผมให้แกลองสึกอ่าท่อมอาการสามสิบสองครับทำได้ยัได้ยัได้ครับอาการสามสิองนี่อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ร่างกายเอ่อร่างกายคือร่างกายที่เรามีอยู่ขณะนี้ใช่ไหม จะทําให้ฟังก็ลบาทำได้เนี่ยได้เลยครับอลองท่องมาผมคนผ ม, ผมคนเล็บฟันหนังเ<ม>นื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ ม, มหัวใจตับพังผืด ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสันน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหืือน้ำมันน้ำตาน้ำมะเร็งน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้าน้ำมูก ถอยกลับได้ไม่ท่องถอยกลับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยอ่าค <c oughs> าหน้าเราไปท่องถอยกันน้ํามูดน้ํำไหยก็น้ขขําโบกน้ําลายน้ําตาน้ํามันเดี่ยวน้ําเหงยน้ํามันข้นนะลองท่องถลับท่องกลับดูนะครับแล้ ต่อไปเป็นไปดูภาพนะดูภาพของเสิ่งเหล่า น, นี้แต่ว่ามันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไครับได้เห็นของจริงเป็นของเป็นสมบัติของเราเนี่ยเรารักสมบัติสาสิบสองชิ้นนี้มากใช่ไหมรักรักไหมโหวงร่างกายนี้ไหมแล้วก็รักเนี่ยเราก็โหวงราง ก, กายสามสิบสองนี้แต่มื่อใครเอาใครผ่าตัดผมเราเนี่ยเราจะปวดไหม อาจารย์ที่โรงเรียนก็เอามจับเราตัดผมเรียนโกรธไหมโกรธใช่ทำเป็นต้องโกรธด้วยแหละมันแค่เป็นแค่ผมเท่อนมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเร า, ามันไม่ใช่ของเราเป็นของเรายืมมาเป็นของยืมมาพ่อแม่ให้เรายืมเดี๋ยวต้องคืนก็แล้วเดี๋ยวทั้งวันหนึ่งแล้วเขาก็ขอึ้นไป อย่าไปยึดติดกับร่างกายนะเข้าใจไหมครับมันจะไม่ทุกข์ถ้ายึดติดแล้วจะทุกขโอเคนะ ม, ไไ ม, ม, มีอะไรยัไหมไีนะนะะอะรนั่งสมาธิดูน้ำหน้าปากลองนั่งสมาธิกับพ่ออยู่น่าสักสิบนาทีก่อนไปแล้ว น, นับตาแล้วก็ดูลม ที่ป่าจะหมุนนั่งแลวพุทธโถพุทธโถไปนั่งหลับตาแล้วนั่งท่องสามสิบสองไปเรื่อยๆกั น, นับทำใจให้ดิ่งอย่าอย่าให้ใจคิดอะไรแล้วใจจะมีความสุขโอเคนะมีอะไรไหมครับไม่มีครับอาจารย์มาหมดหมดเลยครับไปต่อใไปที่อาจารย์พกศ์กิจไร จะรอทาเงิอ่าอาทิตย์นี้ไม่มีประชุม ส, สั่งสรรนะอาทิตย์นี้ไม่สั่งสรรค่ะสังสรรไกลค่ะเพิวที่แล้วแล้วการทากาอ่าเบอร์นิโกนสบาดีนะสบายดีครับอาจารย์พรงนั้นมัน ล, ลุกขึ้นเขาก็มาใส่บาตรใช่ <มา S 2> ใช่ใช่ค่ะเขามาใส่บาตรเขาไปกับหลานที่บอกที่เล่นพระจารยร์ไว้นะค ะ, ะว่าควาตั้งใจจะไ ป, ปดเดือนละหนึ่งครั้ง จะน้อยได้ได้ทำบุญค่ะแต่ที่ที่ไปอ่ะปุยาม่านนะคะมีโอกาสได้ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเช้าเช้า ท, ที่บ้านเพื่อนที่ไปอ่ะค่ะอยู่ทางจังหวัดอะอยู่เขาใหญ่ค่ะอแต่อนาบริเวณกว้างใหญ่ีก็ได้ทุกคนก็ปรีคนที่ปฏิบัติก็จะมีอยู่สามคนนะนะคะก็เตื่นก็อมุมใครก็มุมหามุสมสงบเขาโดย กลับมุมของพวกนั้นไปค่ะนี่ค่ะวันนี้กลับเดิมค่ะว่าไงค่ะกลับเดิมพระอาจารย์ว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปนั่งอยู่หน้าห้องหลังสีที่โรงพยาบาลบามา่าไปรอคนอนุภูนนะค่ะก็ได้เห็นทุสัจธรรมชีวิตเยอะมากผู้คนที่เข้าไปในห้องหลังสีทําให้เราได้เห็นตั้งแต่เด็กแบบบอดแดงๆเลยนะคะ มันไม่น่าจถึงเดือนจนถึงคนแก่คนเท่าคนทุกวัยแล้วพวกคนที่ผ่าบุคคลเหล่านี้มานะคะเมื่อกี้คุยเรื่องของความทุกข์ก็เลยได้เห็นว่าอื้มคนที่มานี่มันคือเป็นเป็นคนเนี่ยก็จะเจ็บมานะคะคนที่ ม, มาไม่เลือกวัยไม่เลือกอายุใช่เป็นนะทุกวัยทุกทุกเพศค่ะทาให้ได้พิจารณาชั่วโมงครึ่งนี่ได้ได้นั่งดูแล้วก็พิจารณาไปว่าอื โลกโรมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีมีมีความทุกข์กันนะคะการมาเกิดให้มันได้ดีเลยพยายามเขีลาวกับการเกิดนะยังยังเลยเยอะค่ะพอตัวเองก็ไปหาหมอเมื่อวันอาทิตย์ก็บอกพอตัวเสร็จแล้วพอเจอหมอปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนรอรอรุ่นรางวัลนะคะว่า ผลเนี่ยจะเป็นยังไงก็หมอบอกว่าดูนู้นดูนี่ึ้นมาชี้ให้เราดูเสร็จแล้วก็แบบว่าจะไม่แอบดีใจนะก็ปดไม่ได้แอบดีใจนิดนิดบ้างโล่งไปีปีนึงอะไรเงี้ยนะคะบอกตามฟอลโลอยู่ปีกว่าก็โอเคอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันว่าว่าจะกดความถุกข์ไว้นะคะจะสงบไว้เนี่ยก็ชิลมากอยู่แล้วแต่ว่า ถึงเวลาแล้วเนี่ยก็แอบดีใจไม่ได้นะครับว่ามันมันผ่านไปแล้วเนาะอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวรอรุ่นหนังรอบต่อไปผลข้างข้างก็เช่นเดียวกันรอรุ้นอาทิตย์หน <c oughs> ้าแลาผลเป็นยังไงแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจแล้วต้องนอ น, น, นแบบอนะ่ๆไแต่เมื่อไหร่ใชได้ใช่ใแต่เราอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือ มันคงไม่ใช่เรากดไว้ฮแต่เราจะไม่ค่อยได้รับรู้หรือรู้สึกเป็นห่วงกังวลเหมือนสมัยก่อนนะจะค่อน ข, ข้างจะจะนิ่งมากเพราะมันเข้าใจชีวิตดีขึ้นว่ามันทำอะไรไม่ได้มันจะเป็นไม่ห้ามมันไม่ได้ใช่เนี่ยแต่ผม<ช>ก็เลยดีในที่ได้เข้ามาสู่ธรรมะนะคะทำให้แบบนิ่งได้จริงๆ เป็นที่พึ่งทางใจดับความท<ช>ุกข์ทางใจได้จะร้อยเปอร์เซ็นหรือไมก่ก็อันนี้ก็อยู่ที่าากำลัขขงการปฏิบัติแต่อย่างนั้นมันก็เริงมลดลงไปเยอะแล้วเยอะมากค่ะเรียกว่าเยอะมากๆก็สามารถถักขําอะไรไปได้คืออะไรไม่ทําไม่พูดเฉยๆก็สบายอยู่เยื้อนๆไม่ต้องมีเพื่อนใหม่เพิ่มอะไรยเงี้ยสบายมากอมพอแล้วค่ะค่ะ เอาตอนเองเป็นที่เพื่อนดีว่าเป็นเพื่อนหนึ่งนะครับ<ม>อัตตัยอัตรรมัติถูกไหครเพื่อนโดยธรรมเอาธรรมม า, มาเป็นที่เพื่อนเลยนะครัสติปัญญาเราความสงบเป็นที่พื่อนดีมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วเราก็เห็นอะไรอย่างนี้เราก็สามารถพิจารณานะไปตามแล้วก็เห็นแล้วก็มันเป็นอย่างนี้นเห็นเด็กๆเกมื่อกี้ท่องอะไรได้รู้สึกว่า อ, อนุโมทนารึไ บุญของเด็กๆที่เข้ามาได้เร็วกว่าเราเราวกว่าจะมาก็อายุไปชอบมีพ่อแม่เด็กเข้ามาค่ะ๋ยวนี้มีสื่อด้วยค่ะสื่อทำให้เราได้เข้าได้เร็วด้วยโอเคนะหมดแล้วใช่ไหมการกลับมาที่หน้านาบุณแนนบุญนอนทานี ต่นนมัสการค่ะพระอาจวันนี้ได้มีคําถามค่ะดีมากอยางได้คนอ้ อ, ต อ, อ, อามตอบสเธอค่ะได้ยินไหมค่ะนมัสการค่ะอาทิตย์แล้วมาฟังธรรมเนห็นไหมเห็นนั่งอยู่ ใ, ใต้ฝนไหมใช่ค่ะค่ะดีแอนเข้ามาด้วยเลยใช่ค่ะเอ่อให้เลือกเอาระหว่างไปตักบาตรกับฟังธรรมค่ะคือถ้าถ้าไป ถ้าไปตักบาตรก็แฟนไม่ได้ฟังธรรมด้วยก็ก็เลยต้องพาไปฟังธรรมอืมค่ะดีฟังธรรมดีกว่าตักบาตรค่ะ<ม>แต่แต่ทุกวันก็ฟังในรถอยู่แล้วค่ะพระ อ, อาจารย์แต่ว่า<ม>เขาอาจจะฟังไม่ได้เต็มที่เพราะเขาขับรถค่ะต้องนั่งฟังนั่งเฉยเฉไม่ทําอะไระจะได้อัธรรถจะได้ได้เต็มร้อยถ้าขับรถใจมันยังต้องคอยมีสติอยู่ของการขับรถอยู่ ฟังมอาจะฟังเหมืาดขาาดขาดเกินเกินค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุสาธุณบอกพระศาสนาจากกอธรรมเราแนะนำสักการค่ะพระอาจารย์ยังไงค่ะก็ขอบพรคุณพระอาจารย์มากมาเลยค่ะแล้ววันนี้ฟังพระอาจารย์เทศเรื่องแฝดผู้พี่กับผู้น้องก็ยิ่ง ก็รู้สึกดีมากเลยคนรู้สึกเลยว่าเออเราพยายามใช้ดาบสติปัญญาที่พระอาจารย์บอกทอยไม่ต้องพึ่งแปดพู้น้องพระอาจารย์พยายามตั้งใจให้ให้หลุดมาให้ได้เพราะวันหนึ่งแปดน้องมันจะรับใช้เราไม่ได้เราไม่สามารถพาเราไปเที่ยวได้พาเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆไดใ้ใช้ดาบสติปัญญาที่พระอาจารย์บอกนะคะ<ม>ก็พยายามพกดาบไปตลอดเวลาพระอาจารย์คือพวามยัร ะ, ะลึก แล้วก็เฝ้าเป็นผู้ดูตอนนี้ก็เป็นผู้ดูพระอาจารย์พอเรารู้ว่าเราเป็นผู้ดูมันมันรู้สึกความอยากมันมันก็หายไปแบบมันคือก็พยายามระวังคลันดูอยู่ยอะพระอาจารย์มันยังไม่มีความอยากเพราะว่าพอเราเป็นผู้ดูนะเนียพระอาจารย์รู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราค่ะก็รู้สึกสงบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไม่มีอะไรมีแต่วางแผนจะไปต่อเลยใช่ค่ะพระอาจารย์คือคือมีกําลังใจ มากๆเลยอ่ะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วมันเหมือนกับตัวเบาขึ้นแบบมันรู้สึกดีมากพระอาจารย์เดี๋ยวทิศหน้าไปก็ทิศหน้าไปก่อนเอ อ, อาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันเพราะว่าบ้านา ก, ก็กำลังเต็มแต่ว่าก็ก็อยู่าทิศหน้านะคะเขาชิโอน<ม>แล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยขยับไปที่ที่ที่ศาลาน้อยก็ต้องไปขอพระอาจารย์แต่ว่าขอไปเขาชิโอนก่อนพระอาจารย์คะมีความรู้สึกว่าตอนนี้ฮะเวลาอยู่เขาชิโอนเนี่ยเหมือนเหมือนอยู่บ้านแล้วก็พอกลับมาเนี่ยเหมือนทำข้อสอบพระอาจารย์ มันสลับกันกับตอนแรกมันเหมือนมาทําข้อสอบไปแล้วเข้ามาทางโลกอ่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกดีนี่หรือว่า<อ>เราจะารักษาใจสงบเหมือนตันที่เราอยู่คนอยู่ได้หรือเปล่าตอนนี้ยังได้อยู่นะพระอาจารย์เพราะพอมัน<ม>พอเป็นผู้ดูอ่ะพระอาจารย์ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากมเลยคืออ่านหนังสือเยอะมากแต่มันไม่เข้าใจแต่พอพระอาจารย์บอกว่ามันง่ายมันดูง่ายแล้วก็ฟังแล้วทําตามมันเออมันก็รู้สึกว่าเป็นผู้ดูมันมันเห็นนะพระอาจารย์ก็รู้สึกขอบคุณมากมากเลย ก็แต่ไม่ประมาณนะพระอาจารย์ทําต่อนี่ยกเรแรกเวลาไปไปปฏิบัติเหมืนกับไปเข้าห้องสอบใช่ใช่ต่อมาการไปนั่งกับเป็นไม่ได้เป็นบ้านเราเองเป็นบ้านนะเขากลับมากลายเป็นเน่าทางโลกเป็นห้องสอบหรือวะเป็นห้องสอบใช่โลกก็ทำแปดใช่ใช่โลกก็ทําเมื่อก่อนทำไปรับโลกก็ทำแปดจนกระทั่งมันมันชืนอมกันใช่นึกว่ามันเป็นบ้านเราจริงๆนั้นไม่ใช่เลยค่ะ พอได้เรียนใจที่แบบที่พระอาจารย์แนะนําที่พระอาจารย์สั่งสอนโอ้โหบอกโอชตินี้ต้องขอบคุณเลยไม่เสียชัดเลยขอบคุณว่าอาจารย์มากมาแต่เราตั้งใจปฏิบัติทางพระอาจารย์ค่ะก็ยังฟังแล้วก็อ่านของรู้ต้ามหาปัวก็ก็ถึงปี50แล้วพระอาจารย์จะจบแล้วค่ะเพราะเพราะมีมีตีดีของท่านถึงปี51ค่ะก็ฟังมาเรื่อยๆฟังของพระอาจารย์พระอาจารย์เอ่อของตามหาพัวแล้วก็ที่พระอาจารย์ให้มาของของของรวมพระอาจารย์นั้นก็ฟังเลยคระอาจารย์พยายามฟัง ครูาอาจารย์ท่านมีธรรมะแต่แนวอาจจะแตกแยกออกไปแต่ก็มันเป็นวิธีมองวิธีแก้ปัญหาดีมากเลยพระอาจารย์ฟังหลวงปูดเจีย๊ยะจบเลยเลยคือคือไม่เคยเจอท่านในอ่านหนังสือท่านจบแล้วพอเห็นของพระอาจารย์ได้มาอุ้มๆอยากฟังก็เลยฟังหลวงหู่เจีย๊ยก่อนเลยแต่ชอบว่างๆเลยาไปที่วัดท่านวันว่านเป็นเจดีพิพิธภัณฑ์ของท่านอยู่ที่ปฐุมธานี วัะทุมทานีใช่ไหมคะวัดวัดวัดนองูมันปุริทัตตะวัดปุริทัตตะเทวานิยได้เราจะเล่าเพราะว่าประทับใจมากเลยท่านสอนให้หัวตัดคอตัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็ทามาตั้งแต่อารบอกนะคะทำาตั้งตอนแรกก่าสร้างเกจีไว้แล้วรู้สึกทั้ในเจีก็จะทำเป็นเหมือนพิพิธภัณประวัติถึงท่านอะไรเดี๋ยวไปเลยคระอาจารย์พรอาจารย์บอกก็ต้องเดี๋ยวไปทำเลยค หมดแล้วน ะ, ะสาธุไทปที่บเอต่อเอกเชียงายราการรู้สการพระอาจารย์ครับผมในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเพื่อนในกลุ่มได้เขาส่งภาพภาพเอศ พ, พ, พที่ที่เขาเผาบนกองฟอนกองไม้ครับอาจารย์ก็ได้ดู<อ>ครับผมก็ก็ดูแล้วก็เฉยๆครับอาจารย์ก็ไม่รู้สึกอะไรครับอาจารย์ ก็มาดูจนเผาจนเป็นจนบางแดงจนไม่เหลืออะไรเลยครับอาจารย์ก็ก็ดูแล้วก็ก็ไม่รู้สึกอะไรครับเฉยๆครับอาจารย์ครับคนที่ถูกเผาเขาก็ไม่รู้สึกอะไรนั่นการไม่มีเจ้าของนะมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ผมก็น้อมน้อมเข้ามาดูตัวเองก็ว่ามันก็คือร่างกาย เขาก็ไม่ได้รู้อะไรไม่ได้เจ็มอะไรด้วยคือคุเผาเขาไปมันแยกแล้วต้องทิ้งมันแล้วก็ต้องต้องทิ้งให้เขาไปเอาไปเผาให้เราครับผมครับซ่อเผามันก่อนก่อนก่อนที่จะทิ้งมันซ่อมไปนั่งสมาธิแล้วรำคาญนั่งกายเป็นเป็นจบนอนอยู่บนกองไฟให้เขาเผาไนะครับผมครับเพราะว่าบางทีถ้าอผมนั่งสมาธิถ้าถ้ามันไม่สงบผมก็มโนภาพคิดภาพเรียก ประชาชนก้าสศพหรือเปล่าครับอาจารย์พี่ติ้แต่สิบศพครับตั้งแต่ตายขึ้นอื่นเป็นนอนแล้วก็ในส่วนน้วแต่ข้อกระดูนั่นแต่ก็ดูใช่ไหมครับเป็นจนเท่าทุลีละลายไปอย่างเงี้ยครับก็เยนาไปมันก็สงบมาครับอาจารย์ครับอ่าในกรรมฐานดีครับแหรัะคนที่เป็นเป็นเอาไป คนที่เป็นปัญญาจริตคนที่ไม่ขี้กลัวนีรับพิจารณาความจริงนี่จะทําให้จิตทสงบได้ง่ครับเหมือ น, นมานานุสตินะบางทีมันก็เป็นมอนานุสติดีๆนี่ครับผมครับผมครับเออพระอาจารย์ครับที่ที่บอกว่าดวงตาเห็นธรรมนี้คือมันเห็นไปตามความเป็นจริงใช่ไหมครับพระอาจารย์ <S <S เห็นตามธรรมาชาตเห็ น, ห เ, หนเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเราแล้วพอเราเห็น สิ่งที่เราอยากว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นตายรับแล้วเราก็เลยต้องปล่อยอย่าปยายามกพรมันพอเราหายอยากปับทุกที่เกิดในใจเราก็หายไป <c oughs> อนุญาตศักดิส์สิทธอนุญาศักดิ์สิทธิตามค <c oughs> <า>รามบ ป, ป, ป็นจริงตามเวลาเป็นจริงเวลาทุกข์มากๆเราค้นหาดูเราทุกข์อะไรเช่นไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร รักษาได้อยู่ได้ไม่เกินสามเดือนถ้าจ่ายทุกตอนนั้นถ้าได้ปัญญาก็พิจารณาว่าแล้วสิ่งที่มันที่ที่เราไปทุกข์กับมันที่เราทําอะไรได้หรือเปล่าครับถ้าพิจารณาว่ามันเป็นตายรักร่งกางยเป็นตายรักมันต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายครับเราก็ยอมรับปัญียครับเออเรายอมรับมันได้ ควอยากที่จะไม่ให้มันตายก็หาไปเพราะยอมตายครับครับความทุกข์ที่กระจากความอยากก็หาครับมันกับมันกับตอนที่ไม่เจ็บไข้ในป่วยใจก็เป็นเฉยๆไปเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้เจ็บไข้แน่ปวดอันนี้เจ็บไข้แน่ปวยก็เหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้แน่วยสําหรับใจครับอันนั้นมีดีดายเห็นทุกสมุทัยนี่ร้อมาก นี่นี่รอดนะครับครับผมก็ครับผมก็น้อนไปปฏิบัติกับพระอาจารย์กับผมคุณพระอาจารย์ครับผปฏิบัติทั้งวันครับพระอาจารย์ครับเอาเนาะเอาสติเอาสมาธิให้มากๆแล้วปัญญามันก็จะได้ครับผมช่วงนี้กายกายเบาจิตก็เบาด้วยครับอาจารย์ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับแล้วก็ขออวยทักพอาจารย์แข็งแรงครับผมจ้าสาธุสาธุครับ ไปที่ญี่ปุ่นไปโกเบเป็นุดการนมัสการพระอาจารย์ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างก็หนูก็ปฏิบตัติพยายามมันปฏิบัติให้มีสติรู้ตัวตลอดเวลาอยู่อะค่ะแต่ตอนนี้หนูมีปัญหาคือเวลาในตัวในตัวหนูอะเหมือนเหมือนมีสองคนนะคะเวลาเราเรามีสมาธิใช่ไหมคะบางที จิตบางทีมันคิดไม่ดีขึ้นมานะคะแต่ไม่ใช่คิดไม่ดีหมายถึงไปฟุ้งซ่านอย่างน้นอย่างนี้นะคะคือคิดไม่ดีคือเรียกสรรพนามของใครบางคนแบบไม่ดีะค่ะอย่างปกติสมมุติว่าเขาชื่อครูเอเราดันไปเรียกเขาว่าไอเออย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็พยายามแบบเฮ้ยไม่เรียกอย่างนั้นได้ยังไงก็พยายามพูดโทพูดโทแต่มันก็ยังมาเรื่อยๆะคะ่ะพระอาจารย์ก็ไม่เป็ น, นไรคอยแก้กันไปเรื่อยๆ ก็คอยตื่นตัวเองเลยว่าไม่ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นท่านหนึ่งเราก็เราก็ไม่เราก็ไม่ได้พิเศษไปกับเขาหรอกถ้าเราเรียกเข อ, อ้ได้เราเราก็ต้องเรีตัวเราเอ้ายได้ไงใช่ค่ะแล้วเธอเธอพิเศษนักหนาเลยใช่ใช่ก็หนูก็เอ๊ะทาไมไปเรียกเขาอย่างงั้นอย่างเงี้ยไม่ดีเลยทาไมอย่างงาี้ยก็ยุดหยุดทีด่เดี๋ยวนี้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหัวใจมันก็เต้นแรงขึ้นมาพุโทโธแต่มันก็ยังมาอีกอย่างเงี้ยนะคะ่ะ ก็พยายามอีกก็ต้องหยุดมันอีกหยุดไปเรื่อยๆซ้อนไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็อยุดเองค่ะจะพยายามค่ะพระอาจารย์ก็มีข้อนี้คืะปัญหาของหนูอ่ะค่ะที่อาจารย์<ม>ที่แล้วที่พระอาจารย์ให้หนูอ่าคือคือหนูมีถีน้มิทะก็คือเวลาทํำต้อง่วงนอนตอนนี้หนูก็ลดอาหารลงแล้วค่ะพระอาจารย์ได้ผลดีไหมได้ขนดีค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ไม่เยอะแล้วก็ ตอนเย็นตอนเย็นทุกวันก็ไม่ทานแล้วค่ะแต่แต่ไม่ิดปฏิบัติเหมือนแม่ชีอะไรนะคะที่แบบหลังเที่ยงแล้วไม่กินอะไรเลยก็ยังมีกินบ้างแต่มื้อเย็นที่หนัก็ม่นดีนะมันดีทั้งร่างกายดีทั้งใจดีทั้งการปฏิบัติร่างกายก็จะน้ําหนักไม่เกินต่อไปน้ําหนักก็จะอยู่ในเกณฑ์แล้วก็เบาหวานก็จะไม่มาไม่ขึ้นเนี่ยดีดีทั้งทางร่างกายและดีทั้งทางจิตใจ จิตใช้กวาเพื่ไม่ใหวงเขาหานอนบบอาจารย์มากนะคะเรากดลไปให้มันเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่ยค่ะ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้หนูหนูเปลี่ยนนะคะอาจารย์เมื่อก่อนหนูตื่นมาตีสี่มามานั่งสมาธิทุกวันใช่ไหมคะหลังๆมานี้หนูก็คือก่อนนอนก่อนจะนอนสวดมนต์แล้วก็ค่อยนั่งสมาธิแล้วก็นอนไม่ตื่นมาตอนตีสี่แล้วคะ่ะอาจารย์ mm hmm. อย่างคือคือก็โอเคก็โอเ ค, อ, เคอยู่ใช่ไหมคะ โอเคนะแต่พูดไอ้พีนี่มันยิบปากไม่ฉน <c oughs> คือแต่เดิมอะ่ะเมื่อก่อนตอนที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆอะ่ะหนูจะตื่นมาตอนตีสี่ทุกวันแล้วก็มานั่งสมาธิดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้หนูไม่ทําแบบนั้นแล้วคือหนูก่อนจะนอนจะสวดมน์สวดมน์ภาวนาปุ๊บ ก, ก็จะมานั่งสมาธิก่อนที่จะนอนนะคะมันก็โอเคแต่ว่ามันก็แบบได้แค่ประมาณสามสินาทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ได้เป็นชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนนะคะตอนเช้าไม่นั่งนะตอนเช้าก็คือเมื่อก่อนตอนที่น้่งตอน ต, อนตีสี่บางทีมันล้านะคะเพราะหนุ่ก็ทํางานตอนกลางวันด้วยะคะ่ะพัดถ้านําได้ก็ดีถ้านั่ไม่ได้กันแล้วไปต่อไปก็จะพยายามค่ะจากตไปเปองลองดูค่ะถ้ากิน น, น้อยถ้ากินน้อยต่อไปมันก็จะติ่นขึ้นมาแล้วมันจะไม่ง่วงอือค่ะ แต่ก็ดูกําลังก็แล้วกันเพราะบางทีร่างกายต้องเอาไปทํางานอะไรมามันก็จะไม่มีกํำลังพอมันต้องนอนมากกว่านนะั้นอาจจะนอนม่พอก็ได้ค่ะ ข, ขอบพระคุณพระอาจารย์มากมนะคะที่อเุเบกทรงสอนนะคะอยสาดเ่าค่ะขอบคุณค่ะเน่งสุโภชัยหายไม่ได้นึเน่งเชือ่อไปบวชเชี่ยวไปบวชแล้ว <laughs> โยมที่จริงโยมลาออกตั้งแต่ตุลาแล้วค่ะพระอาจารย์แต่คนนี้ก็คือมีพี่เขาป่วยกันอะไรค่ะแล้วก็ยายก็แบบอยากใช้สิทธิ้าราชการโยมก็เลยโอเคพิจ <ทำ S 2> นารณาแล้วออเ <c oughs> จ้าค่ะทำต่อเจ้าค่ะทําต่อแต่ก็ปฏิ บ, าาบาาัติเรื่อยๆเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้โยมก็กินข้าวมื้อเดียวเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติเช้าเย็นเจัาค่ะ น, นี่ถึสิบแปดได้ไหม คือได้เจ้าค่ะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอุปสรรคถ้าเกิเมื่อเดียวนี้ก็ไม่มีอุปรสรรคไม่มีเจ้าค่ะตัวเบาดีเจ้าค่ะนั่งสมาธิได้ได้ไดเยอะเจ้าค่ะร่างกายมันหิวบางก็ไม่เป็นไรมนันเวทนามันไม่ไม่รุนแงรงอะไรค่ะบางทีมันก็แบบน้ําตาลตกเจ้าค่ะเพราะงานมันก็เหมือนเหมือนจะเป็นลมอะไรเนาะเจ้าค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร เขาต้องกินน้ำตาลอะไรอะไรอมทนหน่อยขอเจ้าบ้างเป็นคนกินยาเบาหวานบางทีกินมากกันไปน้ําตาลมันลดเจ้าค่ะไม่มีอะไรเล้วค่ะอาจารย์ยมถือโอกาสพอดีช่วงก่อนยมลงขึ้นลงเวนดึกประจําเลยเจ้าค่ะเออก็เลยไม่ไม่ค่อยสะดวกเจ้าค่ะมีเวรเป็นตีได้พวกนี้ไม่ถึงแล้วเจ้าค่ะครบเกินเจ้าค่ะ แต่ก็ติดต่อพี่หลาเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็ฟังทำพระจ้างเรื่อยๆเจาค่ะโอเคจ้ค่ะโยกมก็ดูดูดูจิตมันว่ามันมีความรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ดูดูเวลามันเกิดกิเลสก็ต้องหยุดมนะันนัะดูถ้าจะดูจิตก็ดูดูเพื่อยหยุดกิเลสเวลาเกิดความล้วเมื่อกบบอ่อนที่คุณจุ๊บอกไปคิดไม่ดีไปด่าคนนั้นได้ว่าพระวุศวอะไร ม่าต้องคอยคอยคํรามมันคออยู่ตนชค่ะแต่มันก็มันก็แวบแบบว่าบางทีมันก็เศร้าบางทีมันมันเหมือนมันเป็นตามเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นไปตามเดี๋ยวก็ดับยก็ดูพิจาราเป็นตายรักไปพิจารณาเป็นตายรักไปมันจะเศร้ากันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ดูดูมันดูมันดับอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดูมันเกิดมันดับเออ ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตลกดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะบางทีมันก็ปรุงเจ้าค่ะอย่าไปทุกข์กับมันเมาๆมาก็อย่าไปทุกข์กับมันเจ้าค่ะปล่อยมันไปตามเรื่องแต่ว่าบางทีถ้ามันปรุงแบบคิดไม่ดีเงั้นรวมก็คิดไม่ดีหราตลกดีแล้วมันก็ดับลงนะคะคือเราไม่ไม่ไปตามมันอย่าทำถูกใช่ไหมเจ้าค่ะพระจาเอออย่าอย่าไปตามมันอย่าให้มันออกไปทางวาจาแล้วมันเจ้าค่ะ ทันอยู่เจ้าค่ะมาใจนะค่ะวันนี้โยมมีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคได้เป็นไปได้ก็อย่าให้มันว่างดีกว่าให้มันว่างให้มันศักแต่ว่ารู้าค่ะบางทีมันก็จะมีบทเจ้าค่ะมันจะมีบทสวดอะไรอย่างจ้าค่ะมาเรื่อยๆเลยจ้าค่ะแล้วยมช่วงนี้โยมจะสวดอะไรนะชัยยะเตรียมไม่ถูกเจ้าค่ะนโมูเมอะไรเนี้ยเจ้าค่ะโยมพูดไม่ถูก เจค่ะจะขึ้นมาตลอดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มไม่เป็นไรส่วนมันก็เป็นธรรมะอย่างะคะ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่ให้มัไม่ให้มันปรุงแต่งเลยได้ยิง่งดีให้มันเฉยๆว่างๆยันๆสบายสบายอ่ะคะ่ะแต่ถ้าเวลาที่นั่งสมาธิออกสมาธิมาเนี่ยมันก็จะไม่ปุงนะคะเจะ้าคาะพอาจารย์ ม, มันก็จะแบบเฉย ใช่้ค่ะเจ้าค่ะ้เจาค่ะแต่ช่วงนี้โยมมันจะเข้าลึกๆถึงอุเบกขาเนี่ยนานๆถึงจะเข้าถึงเจ้าค่ะอาจารย์จะอยู่ถึงประมาณแค่แบบปิติประมาณนี้เจ้าค่ะเพราะว่าเวลาเวลาค่อนข้างน้อยเจ้าค่ะนั่นไมไม่พอวิ่งขึ้นขึ้นบินขึ้นขึ้นต้องบินหมดแรงแรงค่ะบหมดหม ด, หมดาทางวิง่งซะก่อนสุสดสทางวิ่งซะก่อน แต่ไม่เป็นไรนะคะองทำนันเวให้มันยาวขึ้นค่ะต้องแต่ไม่ท้อนะคะอาจารย์ทำไปเรื่อยๆนะค่ะเดี๋ยวเข้าได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะยัไปชทุกขกับมันนะคะโอเคนะค่ะสาชุเจ้าแมะบุณสุภพัฒนาบวรินชนบุเร่กรางรมศการพระอาจารย์ทุกท่าน ตอนนี้ก็เอฝึกสติเจ้าคะ่ะอาจารย์นั่งสมาธิพอมันมีความรู้สึกว่ามันเงียบเงียบมันเหมือนมันจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกมจรมเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้ใช้วิธีนี้อยู่เจ้าค่ะสลับนั่งนั่งสมาธิกับเดินจงกรมด้วยเจ้าค่ะอาจารดีทาให้มากเจ้ค <ขอ S 2> าค <pin S 2> ่ะก็หยุดความคิดหยุดความคิด ก็ค่ะมันคิดเรื่อยเป้าค่ะช่วงนี้รู้ช่วงนี้มันเริ่มเห็นว่าตอนที่เวลาเราเงียบๆแล้วเราจะเผลอปคิดก็จะจะเห็นความคิดเร็วขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์อืมโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ดีคนจะหย่อดมันได้ได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์มาขอฟังตับเจ้าค่ะไปที่เป็นมณิกาอรนาลาทิวานณ กลับน้มัสการเจ้าขอพระอาจานย์แ่ ไ, <ป S 1> ได้ ย, ยินได้ยินชัดเจค่ะก็ปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์ก็คือในช่วงระยะนี้ก็คืออาจจะถูกกิเลสหลอกก็ได้นะคะพระอาจารย์ก็คือนั่งนั่งไปก็นั่งไปสักพักหนึ่ ง, งก็บอกว่าให้เปลี่ยนท่านั่งก็ให้เปลี่ยนท่านั่งก็คือปกติแล้วจะนั่งได้นานนั่งได้นางอยู่แต่พอระยะนี้ก็จะถูก กิเลสโลกค่ะแล้วก็ในเรื่องของเหตุการณ์ที่มาที่มากระทบ จ, จิตใจบางครั้งก็ก็ก็ทําให้เราเว้นไปแต่ว่าก็คิดได้อยู่กับภ่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ก็ถือว่าไม่ขอบคุณพ่ออาจารย์มากที่ได้ให้คำชี้แนะแล้วก็ได้นําคําสอนได้มาได้ปฏิบัติตามคําสอนของพ่ออาจารย์เจ้าค่ะพ่ออาจารย์ กอยากให้ผ้าจารย์ชี้ในในเรื่องของที่บอกว่าที่ว่าเปลี่ยนท่านั่งพอปกติแล้วนี่ท่อนที่เคยเตี้ยงผ้าจานนะคะก็คือจะนั่งได้นานแล้วก็นั่งได้นานแล้วก็รู้สึกยังมีความสุขนั้นแต่ตอนนี้ในระยะนี้ก็คือจะไม่มีความสุขเลยในการนั่งแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนค่ะผ้าจานเจ้าอ๋ออย่าไปเปลี่ยนมันหลยพยายามนั่งแบบพอเราเริ่มนั่งล้วอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปยุ่งกับร่างกายเพอาะงั้ใจมันจะเข้าไปไม่ลึก พอไปถึงพอไปเปลี่ยนใหม่ก็กลับไปน็นเริ่มต้นที่สุดใหม่เนีย่ยเวลานั่งแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องร่างกายมันจะเจ็บตรงไหนหรือจะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจให้เราเกาะติดกับการภาวนาของเราไปต้องมีพุโทโธพุโทโธแล้วมีดูโ น, โ น, โน่นอมหายใจอะไรแบบนี้อย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรไม่เปลี่ยน พยายามฝืนมันฝืนความอยากที่จะเปลี่ยนนั่นนี่เป็นกิเลสกิเลสกิเลสคือความอยากหรื อ, อเขาเรียกว่อยากจะเปลี่ยนอยากจะขยะับร่างกายใช่ใช่ครับแล้วนั่งเองพอนั่งก็ให้ลืมเรื่องร่างกายไปให้อยู่กับงานที่เราตั้งหนดนไว้อานจะพูดโทรพูดโทพูดโทไปเรื่อยเรื่อยอย่าหยุดเมื่อกาจิตมันจะหยุดจิตมันกันเ่งแล้วมันก็จะหยุดลงมันเอง เจ้าขาพระอาจารย์เอามาานันิ่งนั่งร่างกายจะเจ็บจะเป็นอะไรมันจะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกเดือดรอ น, น, นมันจะเฉยเฉยอันี้ไม่ต้องไปขยับร่างกายในเวลานั่งสมาธิจนกว่าจะเลิกนถึงจะขยับได้เจ้าขาอัน้เราไปได้ถึงไหนนั่งแล้วขยับนั่งไปสัพ้พักแล้วขยับเวลาขยับก็ถือว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะพระอาจารย์ ก็คือเหมือนถึงว่ามันมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ต้องให้เปลี่ยนเอาให้เปลี่ยนนั่นแหละก็คือว่าโอ้มันอยู่ได้เราเราเราอย่าไปเชื่อมันเดี๋ยวเราพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยใมันคิดเลยค่ะยิ่งไปฟังมันมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งหลอกเราใหญ่ใช่เจ้าค่ะแสดงว่าตอนนั้นเราไม่มีสติครับสติไม่อยู่อาจจะว่าเราอยากความอยาก อยากจะให้นึ่งได้หรือเปล่าคารับอาจารย์เพราะว่าเราเคยนิ่งได้แล้วมามาเป็นแบบมาโลดหลกแบบนี้ก็คือทําให้เราวุ่นวายพุ้ง<ช>ไปเลยแต่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความวุ่นวายวิธีแก้ความวุ่นวายต้องใช้สติอยู่พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอจิตสงบมันก็หายวุ่นวายเองถ้าไปเปลี่ยนมั น, มนหายวุ่นวายปั้มเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ เดี๋ยวนั่งไปทาภาคเดี๋ยวนั่งกลับมาใหม่ถ้าใช้สติแก่พอมันหายแล้วมันหายไปเลยไม่กลับมารบกวดใจคแล้วอย่าไปขยับนั่งใจนะขยับสติดึงสติกลับมาเจ้าค่ะสติหายเข้าใจนะเข้าใจเจ้าค่ะสาทุเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจารย์สายทิพย์อาจาย์สายทิพย์ คอนแกนด้วยพระอาจารย์คอนแก่นเจ้าค่ะกลับ น, น้นำมาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะผมสั้นขึ้นค่ะตอนนี้เหรสตัดีกแลาา้วค่ะพระอาจารย์ตอนบัตตอเลียนถ่ยเลยค่ะถ่าเองไงแบี้ไม่ค่ะไปให้ช่างเขาตัดให้ค่ะพระอาจารย์แล้วช่างเขาว่าไหมเขาไม่เสียดายอ่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นช่างคนใหม่ค่ะวันนี้เขาจะเป็นช่างที่ซอยผมได้ค่ะพระอาจารย์ <copying S 2> แล้ว ก, ก็ตัดผมผู้ชายด้วยค่ะก็บอกเขาว่าเปิดหูเลยตัดตั้นได้ค่ะพระอาจารย์ทำานด้านเซ็กส์มาขึ้นไหมเบาหัวเลยค่ะแต่หน้าตาเปลี่ยนไปค่ะพระอาจารย์ตอนแรกก็เหมือนผู้ชายเลยค่ะแต่ก็สบายสบายค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็ตื่นมาก็ท่องเรามีความ แก่เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยคะ่ะเรามีความเจ็บไข้เรามีความตายอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ความพัดพลากแล้วก็เรามีกรรมเป็นของของต้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นผู้ติดตามเป็นที่พึ่งอาศัยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราจับกรรมกรรมใดไว้ก็เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นมันก็เลยทําให้ระวังมากขึ้นค่ะแล้วก็ท้องอาการตาม12ค่ะพระอาจารย์ตามที่ได้บอกพระอาจารย์ไว้ค่ะ ก็ช่องไปและกลับได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ม้างไกายในเสือเสือในมโนค่ะแต่ว่าพอตอนม้างนี่เราก็ม้างไปแบบเอเหมือนไปสักไม่แน่แต่ว่าสักถึงครึ่งแล้วมันก็เหมือนเราก็เลิกเลิกเหมือนมันมันคิดภาพพวกเป็นน้ำน้ำอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันคิดภาพไม่ไปออกว่าเราจะจะยังไงมันก็เลยเหมือนน้ำเลื่อนเวลาเลื่อนไหลมันนำเลื่อน พวกน้ำถ้ามันจาเป็นก็เอาเอาแต่ส่วนที่เราเห็นชัดนๆน้ำปัสสาวนีน้เลือดนี่้ลายอย่างเยื่อในกระดูกก็คิดภาพไม่ออกเอ๊ะมันจะมันจะยังไงก็ไปเปิดนังเสื้อนาทารีูเนี่ยไมต้องเนี่ยมือถือมันเขียเยื่อในกระดูกมันไมดมีภาพอะไรเหมือนกค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเสจเขาาเยื่อในกระดูกแล้วมันก็ไปกดที่รูปภาพหน่มันก็จะภาพให้เราเห็น ค่ะงัน้นเดี๋ยวจะลองไปดูในภาพที่เราจินตนาการไม่ไม่ออกค่ะพระอาจารย์แล้วก็มาทำาอบค่ะตอนนี้ก็ทําสมาดิเมื่อเช้าค่ะพระอาจารย์คือทําสมาธิตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนเมื่อเช้านี้ก็อ่าทําสมาธิลำก็เป็นเหมือนเดิมก็คิดถามันจะมันจะแบบเหมือนมันชาไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกก็เลยเอะรเราเร า, เราลองนอนก็เลยนอนลงค่ะพระอาจารย์โดยที่แบบ มันปกติมันจะค่อยๆอ่าพอมันไม่รู้สึกตัวแล้วพอมันหายเมันก็จะมีอาการเหมือนแบบเจ็บๆนิดหน่อยแล้วก็เลยมองมันว่าเออมันมันมันเจ็บแต่ว่าไม่ไม่อยากให้มันหายค่ะอาจารย์ก็ก็ดูเฉยๆเหมือนมันแบบไม่มีความรู้สึกแล้วมันก็เหมือนน้ำมันรึ่งแบบเหมือนแบบเขื่อนที่มันกั้นไว้ค่ะอาจารย์แล้วความรู้สึกมันเลือดหรือหรือเส้นรับเอ่อความรู้สึกประสาทมันแบบรื้ไปล้แล้วก็หาย มันกลับมาปกติเลยค่ะพระอาจารย์มันไม่ไม่ไม่ค่อยค่อยหายมันเดิมเหมือนมันแบบกลับมาปกติเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเอแปกตีค่ะเหมือนเราไปกั้นน้ําหรือกั้นความรู้สึกนั้นไว้เหมือนแล้วก็มันก็เหมือนโดนปล่อยออกมาแบบแรงเหมือนมันมีแรงดันเหมือนน้าเลือดมันมาตามท่ออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันให้ความรู้สึกนั้นแล้วก็เอ้ยแปกตีแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยไม่ได้ค่อยค่อยหายชาค่ะพระอาจารย์ก็คือ กลับมาปกติเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เอ้อแปลกดีเนาะอะไรนะคะก็พยายามรักษาใจไม่ให้อยากหายอยากอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ดีพยายามให้ใจสงบให้ใจให้นิ่งให้เฉยนี่เป้าหมายของการปฏิบัติคับทําประมาณนี้อยู่ค่ะพระาอาจารย์ค่ะ อันนี้เหมือนกัเรากำลังเตรียมทําการบ้านอยู่ต่อไปลราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันจะกระเทือนใจเราเราต้องเชื่อใจเราจะรับกับมันได้เป่านียค่ะทางความเจ็บป่วยและอะไรต่างๆใช่ไหมคะคุณพิษเจ็บปวยการพาดพาดจากกันการเปลี่ยนแปลงวันดีคนดีข้าวให้เราออกจากงานก็ได้เอะค่ะก็คือ ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนต้องพยายามคิดไว้เรื่อยๆแผ่นดินไว้ก็ได้มันจริงอยูทธุรกีแผ่นดินก็ไหนเลยค่ะเป็นการบ้านที่ยากยากๆค่ะก็คิดเผื่อไว้ก็ดีแต่วเวลามันเกิดขึ้นเลยก็จะได้ไม่เดือดร้อนค่ะซ้อมซ้อมคิดไว้ซ้อนนที่ไม่ค่อยดีซ้อมทำใจไว้ก่อน คิดถึงเสตุการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเราสมมุติว่าถ้ามันเกิดแล้วเราจะทํำยังไงสมมติบ้านเดียวอยู่ก่อนมันดีคนดีไฟไหม้ขึมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้สาบแช่งหรอมันเป็นการเตรียมเตรียมข้อสอบไปเติียมตามกับว่าเพิ่มมีข้อสอบพอมันเกิดมันเราก็จะได้ทําข้อสอบได้ เหมือนเราเวลาไปสอบเราก็ต้องเก่งไว้ก่อนว่าอาจารย์จะถามข้อไหนใชนะ่ไเราก็มีชีวิตของเราก็มีข้อสอบคอยมาทดสอบใจเราอยู่นี่ไงนี่มันจะออกข้อไหนคะนี่ถ้าไม่เตรียม <c oughs> ถ้าไม่เตรียมใ จ, จ, จ ก, ก็เดี๋ยวก็สติแตกเหมือนคุณคุณสารการ๋ย่จะพยายามคิด ในสิ่งที่เราอาจจะต้องพัาดพาดหรืออะไรต่างๆค่ะพระอาจารย์ตอเสียอะไรเสียเจ็บป่วยหรือทุกสิ่งที่เรารักเราชอบเค่ะตอนนี้มีตอนที่มางไก่ค่ะพระอาจารย์ก็เราก็คิดพอเอาผมออกไปแล้วก็อถ้าผมเป็นของเราคุยกับเราสิหรือเอาอะไรออกออกแล้วก็ถ้าเป็นเราจริงก็คุยกับเราสิเอะมันก็คุยกับเราไม่ได้สักอันเราสั่งไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะภระอาจารก็ ก็เลยเออแล้วมันก็ไม่มีเราแล้วเราก็เลยคิดเออเราก็เหมือนเป็นพลังงานที่คอยคอยกำกับมันใช่ไหมคะพระอาจารย์เราเป็นผู้รู้ผู้คิดคอยกำกับค่ะบางทีผู้รู้ผู้คิดก็หลับก็ไปใช้กรรมใช่ไหมคะพระอาจารย์แบบเป็นก็เป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนเป็นอีกครอบคุมหนึ่งที่เราต้องไปรับผลความคได้รับผลกรรมว่าเกิดผู้รู้ผู้คิดเนี่แลยไม่ใช่ร่างกาย ก็เลยคิดได้ว่าอ๋อเราเป็นผู้พอตอนหลับเราก็ไปรับกรรมอีกแบบหนึ่งถ้าเราจิตดีแล้วก็รับถ้าเราหลับถ้าเราหลับก็ไปดูหนังตัวอย่างของของผลกรรมที่เราจะไปรับต่อไปค่ะมางกายก็สนุกดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะซ้อมคิดในเรื่องที่มันต่อไปก็ไปใช้กับเหตุการณ์จริงเวจะเจอร่างกายของใครก็มากเป็นตอน ยอย่านี้ตามองไปเห็นหนังกับเล็บเขาเลยค่ะภระอ า, ารเผลอไปมองไม่คนนี้เราก็องมันเหมือนตาเราไปแบบไม่ได้มองเป็นคนเลยค่ะภระอาจ า, าร <c oughs> มองไปดูหนังเขาอะไรเงี้ยว่ามันมีหนังกับเล็บอะไรเงี้ย <c oughs> ใต้หนังมีอะไรก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกก็ทําให้เราจะเข้าเหมือนกันเลยนะคะภระสารย์ผู้หญิงผู้ชายใช่ทุกคนเหมือกันหมดอาการทารุสสองก็น่าจะค <c oughs> ่อยๆทําแบบ ทำใจได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์มันก็จะเข้าใจเรื่องของร่างกายได้ดีขึ้นไปตามลำดับนะค่ะปล่อยวางได้งียวคู่ค่ะทุกคนอตอนนี้นะค <ขอ S 1> ่ะทนนี่กกนนทนนสุนทรีแบงคองสุนทรีถึงในมัสการค่ะพระอาจารย์ค<ม>่ะปกติหนูจก พยายามรักษาสีนแ ต, ต่ในทุกวันพระค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคกรดไหลย้อนก็พอแต่ว่าจะไม่ทานหลังไม่ทานอาหารหลังบ่ายโมงค่ะแต่ว่ามันบางทีมันก็จะมีโรคกรดไหลย้อนกําเริบ ม, มีอาการแสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถกินพวกยาลดกรดได้ไหมคะหรือว่าควรจะพิจารณาดูเป็นเวทานาไปค่ะพระอาจารย์อ๋อทานเป็นยาก็กินได้กินยาได้ไม่ใช่เป็นอาหาร ยาสมัยก่อนพุทธยาให้กินได้ก็คือก็กน้ำพึ่งน้ำตาลอะไรพวกนี้ได้น้ำผลไม้ก็ได้ค่ะพระอาจารย์เครื่องดื่ตมต่างๆที่ดื่มไดถ้ถ้าไม่มีนองะสมอยู่เช่นน้ำชากาแฟันนี้ก็ถือว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นยายอย่างหนึ่งเดือแรกของวมนี้น้ำผลไม้ก็ได้แต่ต้องต้องเอา ก็เอาอากาศออกไปอย่าให้มีเนื้ออย่าให้มีเนื้อให้มีแต่น้ำอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคํำถามแค่นี้ค่ะขอบคุณขอพระทูลค่ะโอเคไปที้คุณวิไลพรเชิญโยมหญิงซ้ายสองรับมนมัสการท<น>ุกการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะระหว่างที่ฟังธรรมพระอาจารย์กับท่านอื่นอยู่โยมก็นั่งหลับตาทําสมาธิแล้วก็หูก็ฟังไปแล้วก็รู้ลมหายใจในขณะเดียวกัน ออ่โยมก็รับรู้ถึงเอาการเต้นของหัวใจที่มันแรงมากรับรู้ทั้งสามอย่างแล้วนิ่งฟังไปเรื่อยๆนี่ทําถูกใช่ไหมเจ้าค่ะขั <บน S 2> าได้เ อ, เอาอย่างเดียวดีกว่ามันรูทำอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจมันมันจะรู้เอาไว้อย่าแบ้งขับสำคัญกับมันให<ช>าควาทํากันอยู่กับการฟังอย่างเดียวนี่ดีกว่า<ช>ได้ประโยชน์มากเ่ะ แต่เราก็รับรู้เราก็ฟังเข้าใจหมดเลยนะคะพระอาจารย์รับรู้ทุกคําพูดเลยใช่แต่ไม่คนคนพยายามทําใจให้เป็นหนึ่งพยายามไปทำให้มันแพรกระจายได้ค่ะพระอาจารย์เรา้อการจะใเราต้องการจะรวมจิตให้มันเป็นสมาธิให้มันนี่เป็นหนึ่งเอกขัตตาลงถ้าไปรู้หลายเรื่องมันก็มันก็พลิกไปพลิกมา ได้คะ่ะพระอาจารย์แต่หัวใจแบบจะบแบบมาแรงมากตุบตุบคือเราจะดองมันไม่ไดอสนใจสนจิท <Okay. S 2> ไม่สนใจเรื่องควาธรรมอย่างนี้ว่าว่าธรรมสำคัญกว่าคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็จะมากราบเรียนพระอาจารย์นะคะเ อ, อ่อวันพุธน้าขอขออนุ ญ, ญาตลาหยุดพระอาจารย์นะคะจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคะ่ะจะไปอินเดียะคะ่ะพระาอาจารย์อขออนุ ญ, ญาตไป ไปกับหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดไม่เหยองเจ้าคาพอดีเอท่านท่านเป็นคนนําไปที่ก็ไปดูสังเวชนิยสถานสี่สีสังเวรเลยค่ะออแล้วก็ท่านจะนำภาวนาด้วยค่ ะ, ะ, ไะได้ตรงสังเวรได้จะได้จะได้ เ, ออดเออสริมศรัทธาอานเชื่อในพระพุทธธรรมผสมให้มั่นคงยิ่งเป็นค่ะกับ ข, ขอบคุณคําสอนพระอาจารย์ค่ะทุกวันก็ระลึกถึงพระอาจารย์ตลอดค่ะ คืค่ะพระอาจารย์ไปที่คนยินดีที่แคนซัสอุเสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เข้ามากราบท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็เดวิดก็เหมือนเดิมค่ะก่อนไปจากบ้านนะคะเขาก็เหมือนเดิมคือบอลซองเตสให้อาจารย์ด้วยนะคะอเขาไม่ลืมเลยนะประจําทุกวันกไม่ลืมค่ะคุณครคือหนูก็ดีใจค่ะที่เขาคือหนูไม่ได้เป็นคนบอกคือหนูก็ดีใจที่เขาแบบ รา ล, ลึกถึงท่านอาจารย์ตลอดค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ฝากขอบคุณเขด้วยนะขอให้เ ข, อขอสุขภาพเขาแข็งแรงเช่นเดียวกันาาค่ะทานอาจารค่ะท่านอาจารย์ค่ อ, อหนูอยากจะถามอย่างหนึ่งค่ะเมื่อวานนะคะคือด้วยความที่ว่าเ อ, อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะช่วงวันพัะคือเราเราเดินทางกลับมาและหนูก็ไม่ได้ดูว่าความสภาผของหนูคือหนูไม่ได้ดูว่าเป็นวันพัะปกติคือวันพระที่หนูบอกว่า คือหนูจะไม่ได้ทานข้าวเย็นกันใช่ไหมคะก็คิดว่าสีแ8ดกันใช่ไหมคะแต่สีแปดเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่คือหนูสีเจ็ดเพราะว่าหนูจะไม่ให้เขาแบบเครียดคือคือให้มาจากตัวเขาเองคือในกรณีเวลาเขากลับมาเงี่ยบางทีเขาก็ต้องดู youtube หรือเขาบางทีเขาก็ลงมาแล้วก็นั่งดูหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตามสบายเขาแต่ด้วยความที่ว่าเราตั้งใจว่าบรรพักเราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่อ้นี่เราจะไม่ เ, มเมอ่อแตกข้าวเย็นกันแล้วพอเสร็จแล้วเมื่อวานะ ด้วยความที่ว่าวันพระหนูไม่ได้ทําหนูลืมว่าเป็นวันพระหนูก็เลยมาเฉาเชยด้วยที่ว่าเมื่อวานก็เลยบอกว่าเมื่อวันเมื่อวานเขากลับมาหนูบอกหนูบอกเขาเป็นแต่เช้าแล้วกันหนูบอกว่าวันนี้คอมเพลเสรนะเพราะว่าเมื่อวันพระที่แล้วเราไม่ได้ทําแต่เมื่อวานเขากลับมาแล้วด้วยความที่ว่าก็บอกว่าน้ํามูกเขาไหลแบบคือเหมือนกับว่าเริ่มต้นอาการของเป็นหวัดหนูเลยบอกว่าอ่ะก็ในเมื่อตั้งใจแล้วหนูก็เลยแบบเข้าเย็นเราก็ไม่ต้องแล้วก็เอ่ออ่ะอ่า ยาค่ะท่านอาจารย์หนูไม่ได้ให้เขาทานเลยนะนะคะเพราะาหนูกลัวว่ามันมันมันผิดเพราะเราตั้งใจไว้แล้วแล้วเพราะเราบอกเขาไว้แล้วว่าตอนเช้าคือเข้าไปก็เข้าไปด้วยความที่อาการเขาครบแต่พอกลับมาคือน้ำมูกเขาไหลเขาเริ่มไม่สบายแล้วหนูกแล้วเขาเลยบอกว่าแล้วไม่กินยาเหรอหนูบอกว่าไม่กินเพราะว่ากินไม่ได้เพราะว่าเออเพราะว่าเราบอกแล้วไงเพราะเราตั้งแล้วว่า c o m p e n s a t เพราะว่าเราไม่แตะข้าวย็น ก็ยายากินได้ยาไม่เกี่ยวอไรไม่เกี่ยวกับข้าวยายารักษาหรคกินได้ไม่เป็นไรอ๋อหนูก็เลยแบบว่าเอาน้ำมะนาวอะหาะให้เขาให้เขาให้เขาดื่มแล้วก็กินได้กินยายากินได้อ๋อค่ะค่ะท่านอาจารย์หนูก็เลยเอ๊ะมันมันยังไงไม่กินยาอาหารอย่างเดียวทานอาหารไม่กินอ๋อค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะหนูจะได้ทราบไว้ค่ะท่านอาจารย์กินได้ยามเวลาไม่สบาย โกคภัยแค่เจ็บได้กินได้ค่ดถ้าถ้าอาจารย์หนูจะได้รับทราบใบอะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยกไว้ว่าถ้าเป็นยาที่ต้องกินกับอาหารถ้าเราไม่กินอาหารนี่เราก็อาจจะต้องเลือกเอาว่าจะเอาอะไไปดิหนูก็เลยนึกใใจค่ะว่าเอาหนูก็เลยคือเราตั้งใจแล้วก็เลยอ่ะ ก็ดูกันดูกันไปหนูอยาไปบังคับไปเท่าไหร่ก็นั่นเดี๋ยวเขาพูดจริงก็ไม่พร้อมเหมือนเราเราทำได้ก็ทำได้ค่ะท่านอาจารย์เขาเป็นไปตามหลักพระยาสายเขาแต่จริงจริงเลยนะคะเพราะเขาไม่ได้เขาเขาาเต็มใจนะคะท่านอาจารย์เมื่อวานก็ไม่ได้อะไรแต่คือเขาบอกว่าแล้วแล้วพรุ่งนี้ดูบอพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่หนูก็พูดเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปเช้าแต่เช้าหนูก็ให้เขาทานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คเขาก็โอเคค่ะท่านอาจารย์ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นเฉยๆค่ะท่านอาจารย์หนูก็<ม>ก็ ก, ก, ก, ก็ลองเฉยๆก็ทำปฏิบัติคู่กันได้ก็ดีจะได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไมีปัญหาคนนึงกินเองคนนึงไม่กินเดี๋ยมันก็อาจจะทําให้คนในคนที่ไม่ได้กินอาจจะอดทนไม่ไหวเขากินก็ จ, จะกินกับเขาไม่ค่ะไม่คะท่านอาจารย์คือวันพระก็ Go. คือวันฟ้าก็ตั้งใจกันแล้วคือเขาออกมาจากตัวเขาเองเพราะว่าหนูไม่กล้าค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าการกานคือท่านอาจารย์บอกว่าให้กึงกึหนูหนูจะปล่อยเขาไปเรื่อยเรื่อยเรืยคืออะไรที่เราสามารถอย่างสิ้นแปดเราไม่สิ้นแปดเราก็เป็นสิ้นเจ็ดหรืออะไรเงี้ยคะ่ะแล้จากนั้นค่อยๆๆค่อยค่อยค่อยไปค่ะคือให้มันออกมาจากตัวเ้าเองซึ่งมันเหมือนกับว่ามันดีกว่าค่ะหนูก็เลยจะอวันพุธกันอันนี้ของนี้มัไม่ครับ ก, บกัน ตัวใครตัวมันนี่นะคะแล้วก็วันอย่างวันพุธเขาก็จะเป็นคนไอ้นี่เองหนูไม่ได้บอกว่าเออวันพุธมีอะไรจะบอกอาจารย์ไ้มหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเขาจะเขาจะจัดการตัวเขาเองแล้วเขาจะบอกตัวเองซึ่งมันออกมาจากเขาเองซึ่งไม่ได้ออกจากหนูหนูก็เลยเนี่ค่ะอาจารย์หนูขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ไปที่คนสมชายเพนเซเวียเนีย USA เหมือนกัน อ, อกับท่านผูาจั์ครับเ ม, มื่อวานนี้เข้า <c oughs> แต่ครับซัม going on คนเยอะวั <c oughs> นนี้คนเยอะเข้าเลยไมย่ให้เข้าเพราะยังนี้ต้องกาจัดเวลาแม่มันกินเวลาอ๋อเหฮะทักครับทักครั บ, รบก็ก็ผมก็ ทำคิดถึงคำพูดที่ท่านสอนอเวลาเวลาโกรธเวลาสอนอก็เรื่องก็มีปัญหาอยู่กับที่บ้านก็มีลูกชายนี่แหละที่ผมเคยเอ่ยให้ท่านฟังก็ก็พยายามคมดาวแล้วก็ก็ใช้ความาความคิดความ ความรู้ที่เรียนพุโทโธพุโทโธแล้วก็ให้สติควบคุมตัวเองไม่ให้ไม่ให้นั่นครับเพราะเมื่อวานนี้ก็เขามอบพวกกะได้ก็วันนี้ไม่มีอะไรถามมากครับท่านขอขอบพระคุณครับโอเคติดตามฟังไ้เรื่อยๆก็แล้วกันนะโอเค ไปที่คุณสุภาาัสตจากเท็กซสเดลสเท็กซสจามน้ำมาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกอันนี้ลูกยอยถามว่าพอดีมีเขาติดต่อมาให้บรรยายเกี่ยวกับาการศึกษาพิเศษอีกแต่ครั้งนี้ลูกลูกปฏิเสธขาดความเมตตาไหมเจ้าค่ะ ลูกปฏิเสธแบบไม่ไม่ไ ม, ไม่ขอบรรยายอ่ะเจ้าคะแบบถ้ามันมีเหตุมีผล ม, มัน ก, มนก็มันก็บางทีก็ต้องปฏิเสธเพราะว่าเราทีก็ต้องมีภารกิจของเราที่เราต้องทำํำคือวก็ต้องช่างลำดักระหว่างช่วยเหลือผู้อื่นกับช่วยเหลื อ, ลอตัวเองเมตตาคนอื่นแล้เมตตาตัวเราเนี่ยเจ้าค่ะคือ<ม>ลูกคิดว่าเวลาแบบบรรยายใช่มันแค่สองสามชั่วโมงแต่เวลาเตรียมมันมันใช้เวลาแล้วตอนเนี้ยูกรู้สึกว่า ลูกสนุกกับลูกสนุกกับการที่แบบนั่งนั่งเพื่อให้ถึงเวทนาเจ้าค่ะเพราะว่าพอเวลาถึงจุดคือมันต้องใช้เวลามันกว่าถึงจะเวทนามามันต้องใช้เวลานั่งนานมากแล้วมันคือลูกว่าเวลามันมีค่ามากเลยลูกก็เลยแบบปฏิเสธเข้าไปแบบแบบบอกว่าเออแบบปฏิเสธนะเจ้าค่ะแบบไม่เป็นไ ม, ปไม่เป็นปัญหาเลย บางทีเราไม่พร้อมก็เราก็ต้องปฏิเสธไปแน่เลยเจ้าค่ะเพราะว่าจุดเวทนาเนี่ยลูรู้สึกมีความรู้สึกว่าพอถึงเวทนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบตัวรู้มันจะมันจะเริ่มเด่นคือจะทํายังไงให้มันให้มันขึ้นคือให้มันขึ้นมาให้ได้มันเลยต้องใช้เวลานานนะเจ้าค่ะถ้าลูแบบไปทําอย่างอื่นแล้วลูกคิดว่าสิ่งที่ลูกสะสมมามันจะมันเหมือนจะต้องมาเริ่ม ใหม่หมเจ้ า, าค่ะากำลังมันจะไม่พอที่จะไปใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะกำลังมันจะไม่พอเจ้าค่ะลูกก<ม>ูสาวแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบพยายามสะสมมานานแล้วแบบลูกก็เลยแบบเอาไปทอย่างไงมันต้องใช้ความคิดมากยิ่งคิดมันใจก็ยิ่งโพ้งยิ่งยิ่งกับเพื่อนเยอะเวลาจะมาทําให้มันนิ่งก็ยิ่งยากใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะลูกก็เลยคิดว่าลูกเริ่มเห็นทาง<ม>ที่จะทาง ทางที่จะแบบเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะเจ้าคะ่ะลูกเลยไม่อยากแบบไม่อยากเลิกก่อช่วงนี้ไม่ใช่เวลาไปช่วยคนอื่นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้ช่วยตัวเราเองเจ้าคะ่ะลูกก็เลยปฏิเสธแล้วเขาก็ส่งไลน์มาข้อความมาอีกบอกว่านิสิตแบบตั้งใจเรียนมากแบบนิสิตรุ่นนี้ขยันนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะลูกก็ อ, อบอกไม่พงว่าแล้วกันเหมืับคนไม่สบาย ใ, ใจเรายัางอยู่ในระดับที่ยังไม่สบายเพราะว่าาใจกันไปก่อนเจ้าค่ะลูกลูกขอเมตตาตัวเองก่อนเจ้าใช่ไห่ลูกอยากผ่านลูกอยากให้แบบว่าตรงเนี้ยลูกว่ามันมันมันสนุกมากเลยเวลาถึงเข้าจุดเวทนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกอย่างมันต้องแบบสติต้องมาปัญญาต้องมาคือมันเป็นอะไรช่วงที่วัดกันเลยอ่ะเจะ้าค่ะลูกก็เลยแบบกําลังสนุกอยู่กับช่วงเนี้ยเจ้าค่ะ ก็เลยบอก็กเลยบอกไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาก็เลยคุยกับสามีสามีก็สามีบอกปฏิเสธเลยปฏิเสธเลยสามีนิยุเต็มที่คืออยากให้เราทำทางนี้เต็มที่เจ้าค่ะก็เลยถูกต<ร>ามแล้วปฏ<พ>ิบัติแล้วตอนนั้นเราก็ต้องไม่ไปรับภารกิจอย่างอื่นภารกิจของการปฏิบัติอย่างเดียว ไ, ไปก่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ไม่เป็นไรนะจะเมตตาตัวเองก่อนเมตตาคนอื่นถ้าเราถ้าเหมือนพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติหกปีท่านไม่ไปสอนใครแต่เรางจาท่านลงบรุลุท่านสำเร็จงานแล้วท่านก็ไปสอนสอนได้ตลอดเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเป้าหมายตอนเรียนเป็นการเรนอย่างนี้เรียนไม่จบใช่ค่ะเจ้าค่ะมันต้องอาศัยอาศัยกําลังและอาศัยการสะสมเยอะมาก เจ้าค่ะเลยใส่สติใส่อะไรต่างๆที่เราพยายามสร้างขึ้นมาใเจ้าค่ะบรรยายแค่สองชั่วโมงแต่ว like ่ากว่าจะเตรียมงานอะไรมันกินเวลาของเราไปเยอะเจ้าค่ะลูกลูกรู้สึกว่าลูกชอบกับการปฏิบัติมากกัเจ้าค่ะก็เลยดีลแหละแะตัดสินใจเถอะว่า เจ้าค่ะต้องหนักแน่นเนาะเจ้าค่ะทางโลกเป็นยังไงช่างเขาก่อนเขาจะเวลาช่วยมานดินยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เรายังช่วยตัวอะไรไม่ได้เราช่วยตัวเราเองให้รอด่อเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะน้อมนําเจ้าค่ะสาธุคุณปิยรหน์มุนแพงอยู่ที่ไหนกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยู่ภูเก็ตค่ะอ่า มีอะไรไหมวันนี้ค่ะก็พอดีไม่ได้เข้ามานานค่ะก็หนูกลัวเรื่องบางทีการที่หนูชอบอ่านธรร ม, มะอะสะแล้วก็ฟังธรรมอยู่ตลอดก็เลยกลัวว่าบางทีการที่เราสงสัยมากๆอะค่ะจะทำให้แบบเป็นสัญญาปรุงแต่งหรือเปล่าค่ะตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะปฏิบัติมากกว่าตั้งคำถามค่ะ ไม่จะเป็นก็นดีแลนะ้วล่ะเพื่ออาปฏิบัติดีิบัแล้วเดี๋ยวมันจะได้คําตอบจากการปฏิบัติเองค่ะคําตอบแสดงมันอยู่ในจากการปฏิบัติปฏ<ะ>ิบัติไปแล้วต่อไปมันก็หายสงสัยเองค่ะทีนี้ก็เลยอยากถามพระอาจารย์นะคะว่าอตอนนี้หนูปฏิบัติถูกต้องไหมก็อตอนนี้จะเน้นเรื่องการใช้สติอยู่กับอิริยาบถในชีวิตประจําวันค่ะ อ่ารวม<ำ>ทั้งเดินจงกรมด้วยค่ะมตลอดเดินจงกรมทาอะไรก็ให้มีสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเลยค่ะอย่าอย่าให้ใจไปที่ค่ะทังกายอยู่ที่ภูกเกต็ตก็อย่าให้ใจไปที่กรุงเทพอะไรอย่าี้ค่ะให้อยู่ที่ภูกเกต็ตอยู่กับร่างกายไปค่ะค่ ะ, คะก็เลยเพิ่งเข้าใจคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกอะค่ะพระอาจารย์ เพราะว่ า, ว า, าคิดเป็นเรื่องรุนแรงนี่ไงส่งจิตออกนอกไค่ะหรือแม้กระทั่งการที่เราไปดูไปน<ป>สัมผัสกับรูปเสียงกลิก่นรสทง่นอกห้องนัใช่ค่ะหนูเพิ่งเข้าใจคํานี้ก็ตอนที่มาฝึกเอาสติอยู่ที่ฐานกายเงี่นะค่ะก็เลย<ช>อ๋อแบบนี้เองไม่ไม่ส่งจิตออกนอกใช่แล้วก็หาเวลานั่งสมาธิถ้าว่าเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิมันจะได้จะได้สง บ, บเข้าไปด้วยกว่า ก า, ารการจูแลสติอย่างเดียวค่ะค่ะก็ก็เลยทีนี้พอม า, อาใช้สติใช่ไหมคะอยู่กับฐานกายแล้วก็พอเข้าสมาธิก็รู้สึกว่าจากแต่ก่อนที่นั่งสมาธิแล้วจิตจะส่งออกนอกเห็นนิมิตอะไรบ้างเนี้ยคะ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วคะ่ะถ้ามีสติมันจะไม่มันจะไม่มีอะไรปรากฏมันจะมีแต่ความว่าค่ะก็รู้สึกว่า น่าจะมีสติเยอะขึ้นค่ะก็ไม่เห็นอะไรแล้วได้ดีถ้าจะไปะเลยให้มันนิ่งไปให้มันไม่มีคลาบคิด่นตูมแตเค่อนตแตค่ะถ้าอาจารย์คะหนูควรจะสู้กับเวทนาไหมคะทุกครั้งที่เวลาเหมือนพอ น, นั่งไปถึงจุดนึงอะคะ่ะเวทนาที่อย่างอาการเหน็บชาบ้างหรือขาจะแข็งมากๆกปล่อยมันไปไม่ต้องไม่ต้องสู้มันปล่อยมันค่ะ ไปมันเจ็บไปไยมันเนน็บชาไปเราก็พอดาวเราต่อไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชินอย่าไปสนใจให้มันอย่าให้มันมาเป็นประเด็นก็ถ้าถ้ามีเวทนาตรงนั้นเกิดขึ้นก็ให้เรากลับมาที่ลมหายใจก็ได้ใช่ไหมคะตรี้ ก, กรที่ลหายใจถ้ามันไม่ยอมอยู่กับลงหายใจมันจะกลับไปหาเวทนาแล้ใช้พุทโธบริกรรมพุโทโธเด็กไว้อย่าให้มันไปยุ่งกับเวทนาะ มันวิสัยจิตมันชอบไปยุ่งกับเวทนาชอบไปแก้ชอบไปอะไรอืวิธีที่จะปฏิบัติกับเวทนาคือปล่อยให้มันอยู่ของมันไปตามเรื่องมันอย่าไปยุ่งกับมันพยายามดึงใจให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับลมหายใจก็เหมือนกับว่าถ้ามันปวดมากๆก็ก็คือแบบดูไปเลยใช่ไหมคะปล่อยไปเลยไม่ต้องไปดูมาเพอดูยิ่งดูมันยิ่งอยากไปยุ่งกับมันให ให้อยู่กับพุโทโธนะี่ค่ะโนดูลมดูลมมันจะดูยากช่วงนั้นมันต้องมาศาัยกรรมคิญญาณเร า, เราเลองวิกญาณไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเวลาเกิดการเจ็บชาขึา้นมาที่ร่างกายไปมันเิ็เป้าหมายคือเราต้องการหัดอยู่กับมันมันจะเป็นยังไงก็ให้มันอยู่ไปเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเราต้องมีอะไรยึดใจเราดึงใจเราไม่ให้ไปยุ่งกับ แล้วเาใสายพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปในบางทีสลับเราพุทธธรรมกันนานกระากไม่ทำบัรรงกานอนกระชาอะไรก็ได้ใจเราไม่ไปไม่ไปสนใจกับการเจ็บปวดของของร่างกายค่ะหนูยังผ่านตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะแบบพยายามได้ถ้าผ่านได้ต่อไปสบายแลเวลาเจอความเจ็บปวดของร่างกายก็ไม่ถึงตอน อ่าพระอาจารย์ครับพอดีว่าอีกสองวันค่ะจะเป็นวันคล้ายวันเกิดหนูแล้วก็ปีนี้อะค่ะเป็นปีแรกเลยที่อยากจะขอกำลังใจจากพระอาจารย์คะ่ะอยากให้พระอาจารย์แฮปปี้นอว r เบิร์เดย์ค่ะเออนั่นดีที่สุดพยายามตัดอิเลนตัดความอยากเพราอความอยากเป็นตัวที่พาให้เราไม่เกิดกันจะตัดอันน้าก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญา ชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงปานิพานก็อยากจะเข้ากระแสโลภุตระทมสักนิดก็ยังดีค่ะถ้ตั้งใจจริงๆได้พระพุทธเจ้าบอกไว่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้ฝึกสติไปให้มันได้ตลอดทั้งวันทั้งคยนะครับค่ะสาธุพร่อาจรย์ค่ะโอเคนะะมีเท่านี้คะ่ะสาธุค่ะขอบพคุณคะ่ะคุณฟางเมลัยสียนกอดสามยนนี้เพื่มหนึ่งน ยอมยุดเย็นแล้วก็ยิย้มยิยย้มในใจเมื่อวันที่แจ้งพระจันรเมื่อช้าอ่ะค่ะวันว่าหนูว่าหนูไม่ผ่านก็คือไปกดลูกน้องเมื่อวันจันทร์ทีเนี้ยหนูก็มานึกถึงที่พระจันทร์บอกไอ้ยิ้มหน้าอะไรไงหนูหนูยิ้มไม่ออกแต่ว่าหนูอะก็มานั่งนึกทบทวนโดยที่หนูยังไม่คุยกับน้องน้องหนูก็จะให้น้องน้องเขาคิดไปก่อนว่าเขาอะ ผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างส่วนตัวหนูอะก็มาคิดว่าหนูผิดพลาดที่ไม่ได้แบบดูแลน้องๆ อ, อะไรบ้างแล้วก็รวมถึงมาดูมาดูจิตตัวเองอะค่ะแล้วก็ไปจับความโกรธกับโกรดน้องๆแล้วก็เลยรู้พอรู้เสร็จปุ๊บหนูก็เลยทําโทษตัวเองให้นั่งนั่งเฉยๆนิ่งๆอะค่ะทํางานไปเรื่อยๆพอครบยีิบสี่ชั่วโมงอีกวันขัดมาวันอังคารหนูก็เลยเชิญน้องๆเข้ามานั่งคุยแล้วก็พูดถึงว่า มันเกิอดอะไรขึ้นแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละประเด็นทีละประเด็นเงนี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะมีะใช้สติได้เพิ่มมากขึ้นแทนที่เราจะจะใช้ความความ<ช>แยแนห น, นใช้อามมันจะเหตุผลคุยกันไปด้วยเห็นผลอันนี้ซึ่งหมกหนุนคือเ ร, เ, รเราทำได้ใช่ไหมเพราะว่าบ่อยๆครั้งถ้าเรายังอยู่ในในทางโลกธรรมเนี่ยเราอาจจะต้องเจอในเรื่องของ ก็ ต, ต้องม<า><า>ีการปรับความเข้าใจไปเลยเลยทํางานร่วมกันก็ได้เป็นการปรับความเข้าใจปอัวิธีการกระทําให้มันถูกต้องค่ะ พ, พอมานั่งนั่งทบทวนดูว่าเวลาช่วงที่หนูลาหยุดแล้วหนูไปอยู่วัดทั้งวันหนึ่งหนูจะไม่เจอเรื่องกระทบเลยแต่พอมาทํางานปุ๊บเดี๋ยวเจออีกและเดี๋ยวเจ อ, อแล้วมันก็เลยหนูหนูก็เลยชคิดว่าไอ้ที่เราทาําช้าเนี่ยเป็นเต่าไงเพราะว่าเราเรายังตัดเรื่องทางโลกไม่ขาดแต่ว่าถ้ามาทางทางนี้เหมือนที่พระอาจารย์บอกไปหลายท่านเลย วันน่าจะเร็วขึ้นครับต่อเดี๋ยวให้ถึงเวลาแล้นะคะแต่หนคิดว่าน่ า, น า, นาจะทําปฏิบัติได้มากขึ้นโอเคถ้าเวลาปฏิบัติได้มากเป็นปีวิเวง่ายมากเลงค่ ะ, คะโอ้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสองสองสัปดาหค่ะปีกปีกในห้องเนี้ยค่ะ mm hmm. ไปไม่รอดนั่งนั่งหลับแบบน้ํำลายไหลเลยคุยกับแม่ชีเหมี่ยวยังแม่ชีบอกว่าสงสัยต้องม า, ต, งมาต้องมาฟังบอฟังทำที่กุฏิได้แล้วค่ะ แตหนูหาเวลาไปค่ะโอเคนะขอบคุณเจ้าค่ะคะค้คอคองอธิษฐานกลับสุดนิมมส ก, การพระอาจารย์ะค่ะเลยได้ยินใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนคนไม่ได้ไม่ได้เข้าสองอาทิตย์แล้วค่ะพระอาจารยนาา์นับงสองอาทิตย์ผ่านมีธุระมีตึงค่ะระอาจารย์ยุ่งว<ม>ุ่นวายกับทาง ทังโลกมากเลยค mm ่ะ hmm. อ <c oughs> าจารย์แล้วก็หลายอย่างคัะอาจารย์ก็อยู่ในเรื่องของอสติแล้วก็ปัญญาด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าในเรื่องของการแล้วก็คนในบ้านด้วย mm hmm. ก็ดีคัะอาจารย์ที่ที่ทำให้เห็นบางสิ่งบางอย่างว่าหนูไม่ได้อยากอยู่มาถึงขณะนี้แต่ว่า คุณก็ไม่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์เพราะว่าเราห็นสังขารตั้งแต่ที่ได้ถามพระอาจารย์ตั้งแต่เรื่องเรื่องเรื่องสุนัขเรื่องหมาจนมาถึงเรื่องคนหนูก็ได้พิจารณาอะไรหลายๆอย่างก็ยังได้คุยกับแม่บอกว่าพูดถ้าให้หนูอยู่ขนาดนี้เนี่ยหนูไม่อยากอยู่แต่เขาเข้าใจค่ะคนก็แต่และชีวิตก็จะไม่เหมือนกันท่านท่านก็ว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูมันคิดว่าถ้าอยากจะอยู่ต่อไป ถึงขณะนี้เราจะต้องอยู่รัดูร่างดูแลร่างกายเราเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราอยากทําอ่ะมากยิ่งขึ้นอันนี้หนูคิดถูกไหมคะที่ที่ที่หนูรีบบอกอแม่เข้าไปนะคะถ้าเราอยู่แบบนี้มันเหมือนกับว่าอยู่ไปวันๆแล้วก็ทนอยู่กับสังขารของตัวเองอะคะ่ะอาจารย์คือมันก็ต้องอยู่เพื่อทําประโยชน์ประโยชน์ของเราแล้วประโยชน์ของผู้อื่นอย่างใดอย่างหนึง ค่ะมันจึงมีมันจึไม่เหตุผลให้อยู่ถ้าอยู่แล้วไม่มีทําคุณทำประโยชนอะไรมันก็อยู่ไปก็ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรค่ะพระอาจารย์แต่ถ้ามันจะอยู่ถ้ามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปอย่าไปอย่าไปทําลายมันค่ะพระอาจารย์ก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ไหมครับธรรมชาติค่ะก็คือเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะคะเออถ้ามันยัอยู่ถ้ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไป ค่ะเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราอ่ะต่อไปนะคะพระอาจารย์จะก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราเห็นจิตแล้วก็เห็นกิเลต ข, ของตัวเองมากยิ่งขึ้นก็เลยรู้เลยว่าโอ้โหยิ่งกว่ลิงค่ะอาจารย์เอามาผูกไว้เนี่ยดิ้นดุริกดุริดดุริดอยู่ตลอดเวลาคือมันแบบทําให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีในเรื่องของน้องๆที่อ่ทํางานมันเกิดการคาดหวังค่ะเพราะว่าทําเกี่ยวกับเงินนะคะคือพวกอสังหาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวเอ่อ แล้วคิดยังไงถ้าเขาไม่ซื้อเอา้าเขาไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อก็อแล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เฉยเฉยแล้วน้องเขาบอกว่าพี่ไม่เฉยหรอกพี่ก็ต้องคิดอยู่ดีฮึเราก็บอกว่าโอเคความคิดในมันอาจจะห้ามไม่ได้หรือว่าใจเราอาจจะห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่ห้ามได้อันดับแรกที่ไม่ให้มันเป็นไปก็คือปากหนูพูดถูกไหมครับอาจารย์พราเลยเงียบ <laughs> หนูอกว่าปาก คือเราคิดเนี่ยคือเราสิ่งที่เรายั้งอันดับแรกได้เราไม่สามารถบางทีเนี่ยในใจหรือว่าความคิดของเราเราไม่อาจจะยั้งได้แต่มันก็ยั้งได้ในสิ่งที่เราควรจะยัง้งก็คือในเรื่องของปากที่เราจะพูดออกไปค่ะพายจาร์เป็นคําพูดอย่างนี้นะคะก็อยู่ที่ถ้าเรามีสติแล้วก็ยั้งได้ได้ค่ะพาจาร์หนูก็พยายามฝึกแล้วก็พยายามคิดอยู่เสมอว่าเอ๊ะมันถูกหรือมันผิดอนะไรประมาณนี้นะคะ บางทีเขาก็บอกว่าเออเราเอ้นี่ไปมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่ไม่ใช่ก็พยายามคิดเสมอว่าทุกวันทุกเวลาทุกนาทีมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตัวของเราเองที่มันปรุงแต่งแล้วมันเป็นไปอ่ะคะ่ะอาจารย์เขาก็คืออยู่ในทางโลกนะคะก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้บางทีเราก็เอ๊ะมันเหมือนสับสนเหมือนเหมือนแบบว่ามันแย้งกันนะคะพระอาจารย์ ทำอยากเหรอเราอยากจะได้เอ๊ะทำไมเราถึงไม่ไม่ทำมันเหมือนจะไปทั้งหมดมันก็ไม่ได้มันก็เลยทำแบบกึ๊ก๊กักอะไรประมาณนี้นะคะพระอาจารย์หนูก็เลยมานั่งคิดดูว่า oh. เราอ่ะจะต้องอถ้าทาเวลาทำงานก็คือทำให้เต็มที่ไหมจ ะ, จะต้องทำให้ถูกต้องไหมแล้วก็พอมาทางนี้ถึงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องมาสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าอยู่กับตัวเองเราก็ต้องมานั่งอยู่กับจุดนี้ให้ให้เต็มที่อย่างเงี้ย หูคิดถูกไหมครับพระอาจารย์คือเวลาเราทำรํำงานเราต้องคิดว่าเร า, เร า, เราทําเพื่ออะไรถ้าถ้าเรามีเหตุผลเพื่อนั้นเพื่อนี้เราก็ต้องัค่ะถ้าถ้ามันถ้าเราเห็นว่ามันไม่จําเป็นจะต้องทําก็ทําให้มันน้อยลงทาเท่าที่จําเป็นเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาทํําทำธรรมะได้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็คือว่ามันจําเป็นค่ะพระอาจารย์แล้วก็ <Okay. S 1> ถ้าจำเป็นก็ต้องทาไปเวลาทําก็ต้องทําให้มันได้ผล คร่ะมันต้องทําไม่ได้ผลมันก็มันก็จะเสียเวลาใช่ไหมเพรา่ต้องหวังไม่ต้องหวังว่าได้ผลแต่ถ้าไม่ได้ผลเพราะมันสุดวิสัยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่เท่าที่ได้ทท่าที่เยนได้เพราะงของเรามันไม่เหมือนงานกินเงินเดือนเนี่ยงานกินเงินเดือนมันได้แน่ใช่ไหมใช่ค่ะผู้จัดเพราะงานขายของนี่มันไม่แน่บางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้ใช่คระผูาจัด แล้วมันเหมือนกับว่ามันมันได้ลิ้นทั้งจิตตัวเองแล้วก็เจ่งคนอื่นด้วยนะครับาาอาจารย์แล้วอ่าฮะแ ต, แต่คือหนูก็ ค, คือคิดว่าเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่แล้วก็ถ้าทํามว่าถ้าไม่ไดีที่สุดส่วนผลจะมายัางไงก็ต้องยอมรับมันไปตามความเป็นจริงนั่นเองใช่ค่ะอาจารย์หนูก็บอกว่ามันไม่เป็นไรถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะว่ายังไงมันก็ห้ามไม่ได้หนูก็คิดแค่นี้หนูบอกว่าถ้าเราจะไป อะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะทําให้เราอะเป็นทุกข์ใช่ครับอันนี้ค่ะหนูคิดถูกไหมคบอาจารย์คือก้ามันเป็ความเปนจริงมันก็ทุกข์อะถ้าไม่อยากอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ทุกข์ค่ะหนูก็คิดว่าถ้ามันเกิดแล้วเอาโอเคหนูจะยอมรับหนูก็บอกอย่างนี้เขาบอกเออใจเด็ดดีเนาะเอาถ้าไม่ไม่ใช่ว่าใจเด็ดหรือไม่ใจเด็ดคือการยอมรับในสิ่งที่มันเป็นจริงหนูก็เลยไหวค่ะ คือแพ้ก็คือแพ้หนูก็บอกอย่างนี้ชนะก็คือชนะไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าทําเต็มที่แล้วก็คือต้องทํำแต่ถ้าก็จบถ้าหนูไม่ทําหนูก็บอกว่าหนูจะเฉยหนูก็จะไม่อะไรเพราะมันมันไม่จําเป็นจะต้องไปดันทุนรังมันเสียเวลาหนูบอกอย่างนี้ <c oughs> เราสู้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าถ้าถ้ามันเราพุ่งพลังมา เ, เต็มที่แล้วเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่แต่จะยอมรับผลของมันหนูคิดอย่างนี้ะครับพระเจ้าค่ะ เราคิดว่าของหนึ่งดำที่เราทำแทบเป็นแทบตายตายเป็นกระถางที้ไม่หมดอยู่ดีไม่เอาไปไม่ได้ใช่ค่ะอาจารย์บางทีเราก็โอ้โหตะเกียกระจายกันเต็มที่สุดท้ายสุดมาก็ไม่ได้มีอะไรเลยเหม่ได้เลยใช่คร่ะก็ไม่ช่วยกันทำไมใไหมใช่ค่ะเพียงแค่ว่าเราอ่ะต้องทําหน้าที่ของเราให้ให้ให้ดีที่สุดแค่นั้นนะครับถ้าเรายากต้องใช้เงินก็ต้องหาเงินหาได้หลายกระ่านั้นไป ใช่ค่ะพระอาจารย์บางทีเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นส่วนศูนย์รวมให้กับหลายๆคนหนูก็เฮ้ยมันทําไมมาที่เราอะค่อนข้างที่จะเยอะจังเลยอะรประมาณนี้แต่ว่าก็พยายามที่จะตั้งมั่นนะคะในจิตใจของตัวเองและทั้งความคิดด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะพระอาจารย์ห mm hmm. น, นูคิดว่าบางทีน่น่าจะเป็นคนแบบนี้เลยอะไรปร ะ, ประมาณนี้นะคะแต่ว่า เราก็ต้องเราก็ต้องทำะคะ่ะเพราะว่าหนูคิดว่าชีวิตแต่ละชีวิตมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราอาจจะเกิดมาเป็นแบบนี้เราก็แค่ต้งตองทาหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะตรงนี้ให้ดีที่สุดน่ะคะ่ะ อ, อ, อจะะะาจารย์ทั้งทั้งทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยมาอยู่ก็อ่ พยายามอัดสวดมนต์แล้วก็คือนั่งสมาธิบางทีใจมันก็วอกแวกแต่หนูก็เข้าใจค่ะจิตมันเหมือนลิงเออเาลิงมาปลูกไว้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเชื่อมันขาดด้วยใช่มันเชื่อมันยังมันเชือกด้วยใช่ไม่ใช่เป็นเชือกไนลอนใช่ค่ะาจาสติมันเหมือนเชือกด้วยมันเนี่เข้าฝึกไปแล้วยะแล้วต่อไปมันจะเป็นเชือกไนลอนมันจะมันจะขาดยากใช่ครับอาจารย์จะถึงเวลาหนึ่งที่มันเกิดอะไรขึ้น มันดีนะคะพระอาจารย์เพราะว่ามันทําให้เราแบบยั้งได้คิดแล้วก็คืนนิ่งและพิจารณาหนูก็จะบอกว่าโอเคยังไม่ตัดสินใจขอคิดนิดหนึ่งเขาบอกว่าทําไมช้าไม่ได้ช้าเพราะว่ามัน<ร>ได้จำเป็นต้องเ ร, เร็วขาดใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ขนาดรอบครอบบางทีเนี่ยมันก็ยังมีพลาดบ้าง<ม>ก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดานะคะพระอาจารย์มันก็เป็นเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็แค่นั้นหนูก็ต้องมานั่งคิดว่า โอเคถ้าตัดสินใจแล้วมันจะดีหรือไม่ดีมันจะเสียหรือได้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์ใช่มันเป็นอนัตตาทุกอย่างเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรก็พยายามที่จะฝึกนะคะอ่าะดีที่สุดทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเราพูดไปทางโลกก็ทําไปทางธรรมก็ทําไปเท่าที่ถ้ามีเวลาทําได้ค่ะ เข้าที่ลังหยกเรายังมีลมหายใจอยู่คับ อ, อาจารย์ข่าวหนูก็คิดอยู่อยู่ขณานี้นะตอนนี้แค่นี้ก่อนอะอย่างเงี้ยคอาจารย์สาธุสามสาสามคุณมาเลเยคมาเลยอาจารย์ค่ะมุญาการกรับลงพ่อค้าหลวงพ่อได้ยินในไหไว้ค่ะได้ยินได้ยินค่ะวงพ่อโอโหรายงานการปฏิบัติของหลวงพ่อ เออหนูก็ปฏิบัติทุกวันตามที่เคยเรียนหลวงพ่อไปอะค่ะมันิมันก็รวมรวมอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหลวพ่อทีนี้หนูหนูมีความรู้สึกว่ามันมันมันมีความแตกแตกใจขึ้นนะค่ะหลวพ่ อ, อคือว่าเวลาช่วงที่เราปฏิบัติแล้วอะค่ะสมาธิหรือว่าสติของเราเนี่ยค่ะมันมีความรู้สึกว่ามัน มันมีความหนักแน่นขึ้นมันมีความแข็งแรงขึ้นคือพอช่วงที่มันกำลังเข้าตอนที่มันรวมรวมแล้วค่ะพอมันใจเรามันจะเหมือนทิ้งทิ้งกายทิ้งเวทนาออกไปเลยค่ะพอแล้วมันก็จะรู้รู้เหมือนเรามีสติอยู่กับลมหายใจเราแล้วก็เสียงหัวใจเรา อารมณ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอันเดียวกันเลยอย่างนี้ค่ะหลวงพอแล้วมันก็ดิบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเวทนาออกไปแล้วเราก็จะอยู่ตรงเนี้ยนานนานแล้วก็คือรู้แบบมันชัดชัดเจนมากขึ้นข่ะหลงพอ่อจนมีความรู้สึกว่ามันทิ้งทั้งกายทั้งแันแล้วใจเราก็เบากายเราก็เบาแล้วเราก็อยู่กับสมาธิตรงเนี้ยนาน นานจนรู้สึกว่าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทุกข์ใจหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันอยู่ได้แบบมีความรสึกมันมันแน่นขึ้นมันมันได้ได้ะคือที่อยู่ของใจความสุขของใจอยู่ตรงนั้นนะถ้าเราอยู่ตรงนี้เราต่อไปความสุขทางโลกเราก็จะได้ไม่มีการที่อยากจะไปห า, ม, ามันอีกลดแห่งทรรมนะลดทั้งปวงนะ แล้วแล้วพอเราอยู่กับสมาธินานอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อนานนานมันเหมือนถ้าจะมีสิ่งอื่นอะไรที่เหมือนจะดึงเราออกไปคิดข้างนอกเนี่ยมันไม่สามารถออกไปได้ค่ะหลวงพ่อมันจะเหมือนมันจะอยู่แบบหนักแน่นมากเลยค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนมีอะไรที่มาบล็อกมา ก, กั้นไม่ให้เราใสา่ออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจนกว่ากําลังสติเราจะหมดหมดไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ แล้วพอเราออกจากสมาธิแล้วค่ะก็มันทำให้หนูเห็นว่าไอ้กำลังสติหรือสมาธิตรงเนี้ยมันเหมือนมั น, ม, นมันช่วยให้หนูมองเห็นเออสิ่งต่างๆเนี่ยเออเป็นเหมือนเป็นธรรมดามองเห็นไปถึงสิ่งที่มันเป็นธรรมดาในที่สุดเห็นในขณะที่ต่อหน้าต่อตาเราแล้วก็เห็นระหว่างทางหรือว่า ขณะที่มันกําลังดําเนินไปจนสุดท้ายคือเราจะเห็นว่ามันมันผ่านไปแล้วอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อไปเห็นเห็นความจริงสุดท้ายที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็ทําให้ใจเราเนี่ยเหมือนยอมรับในสิ่งที่สุดท้ายของมันได้ค่ะหลวงพ่อไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแม้กระทั่งย้อนมาดูที่ตัวตัวหนูเองเนี่ยคือตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิด ไม่เัียงมองไม่เห็นแต่พอเวลาผ่านมาเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตรงนี้เพื่อที่จะไปไปสู่จุดสุดท้ายอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนหนูเห็นวงเวียนวงเวียนทุกอย่างตั้งแต่เริ่มสเตจหนึ่งสองสามจนจบจนจบแล้วมันก็กลับช่างถ้าหนูยังวนเวียนอยู่เนี่ยหนูมีความรู้สึกว่ามัน เราเห็นแบน convin, จนจบนี้ซ้ําๆซ้ําๆเห็นสเตจมันก็ซ้ำจนจบเนี้ยเราเห็นเราเห็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันรู้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเบื่อเบื่อที่จะต้องมาอยู่ในวงโงเรียนหนึ่งสองสาจนจบแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อเหมือนเหมือนกานที่เราต้องตื่นขึ้นมาทาําภารกิจหน้าที่กินข้าวทางานกลับบ้านวนเรียนอยู่แบบเนี้ค่ะหลวงพ่อมันมีความรู้สึกว่าหนูอยากหลุดออกจากวงเรียนจากที่มันเป็นอยู่ตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อ ท, ที่หนูปฏิบัติมาเป็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อก็สักวันมันก็ต้องออกถ้ามันมันอยากจะออกเนี่ยมันก็หาวิธีออกมันได้นะค่ะหลวงพ่อแล้วอันนี้หนูเห็นเห็นถูกไหมคะหลวงพ่อถูกแล้วแหลพชีวิตมันก็มีแค่นี้วนว น, วนไปเวียนมาวนัวนวนันไม่ได้มีอะไรตายไปก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปใช่ใช่ค่ะหลวงพ่ อ, อทีนี้ตอนช่วงที่เออ ตอนที่สมาธิเราแบบหนักแน่นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมีความแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะส่งผลตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วมันทําให้เราเหมือนเรามองเราจะทําอะไรสักอย่างทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันทําให้เรามองเห็นถึงสเต็ปหนึ่งสองสามจนจุ ด, จดสุดท้ายผลค่ะอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อได้ได้เราก็จะมีปัญญาพิจารณาได้ง่ายกว่าตอนที่ใจป็นสงน ใจสงบจะคิดอะไรมันก็เห็นอะไชัดเจนขึ้นค่ะแล้วแล้วสมมติตอบสมมติขั้นต่อไปอย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อหนูก็ต้องฝึกให้มันคือสมาธิมันหนักแน่นแข็งแรงแล้วมันก็ต้องต่อเนื่องมากขึ้นกว่าเดิมอย่งี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อถ้ามันยังไม่เต็มที่ก็ต้องทำให้มันเต็มที่ อถ้ามันเต็มที่แล้วทีนี้เราก็ไปทางปัญญาต่อได้แล้วก็พิจ า, ารณาอาการฐานที่สองพิจารณาตายรับพิจารณาเกิดแก่เจิดตายพิจารณาอะไรเเราตัดความอยากต่างๆในสิ่งต่ตางๆเ่อเราเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นทุกข์เท่านั้นใช่ค่ะหลวงพ่อแา้วพอมองเห็นแบบนี้มันทํารู้สึกว่าทําไมเราต้องมา แล้วหนึ่งสองสามจบแล้วเราก็มาหนึ่งสองสามมันมันมีความรู้สึกเบื่อเบื่อค่ะ<อ>แล้วก็วมันแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วกทิ้งไปอันนั้นเราไม่เราเบื่อแล้วก็ววไม่เอาต่อไปก็ต้องไปอยู่คนเดียวอยู่อยู่กับภาพเสียงขเด็กก็แล้วค่ะหลวงพ่อคือตอนเ น, นี้ยหนูก็มันเหมือนเวลาถ้ามีเวลาหนูจะหนูจะไปแบบคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะไปปฏิบัติ ไปนั่งสมาธิ io, อะไรของหนูอย่างเงี้ยค่ะจนเริ่มมีคนมาพูดแบบหลายคนแล้วเค่ะว่าทําไมแบบไม่หนีไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ร่วมไม่คือมั น, ม, นมีความรู้สึก <c oughs> ว่าเราไม่อยากร่วมตรงนั้นคือไม่ได้ไปโกดหรือไปทะเลาะนะคะหลว่าแต่ว่า <c oughs> ใช่มันไม่มันไม่มีความหมายสำหรับเราขนะดใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อนหนูชอบชอบไปรับความสงบลดแต่งธรรมชนรลดทั้งปวง ใช่ค่ะหลวงพ่อความสุ ข, ขอะไรไม่สูส้ความสุ ข, ขที่เกิดจากขวามสงไม่ได้ ค, ค่ะหลวงพ่อค่ะหนหนูขอถามอีกนิดนึงค่ะแล้วสมมติเราเคยตั้งตอ้งเขาเรียก อ, อะไรอ๋ิทีานเลยว่าขอไม่ให้ขาดทานทุกวันอยนะะ่างนี้ยค่ะทำทานทุกวันแต่ทีเนี้ยสมมุติว่าหนูมีเหตุที่ว่าหนูไปทำไม่ได้อย่างเนี้ยมันมันจะทําให้เราเสียไหยคะหมายถึงเสียคําพูดเสียอะไรไหมคะ คือการทำทานมันก็ต้องมีวันสิ้นสุตรงเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เมื่อไม่มีโอกาสที่จะทำล้วก็ไม่ไม่เสียอะไรถ้าเรามีอย่างอืนที่ทำที่ดีกว่าเช่นถ้าเราไปภาวานา ก, การการหยุดการทำทานก็ไม่เป็นก็เรียกว่าเราทำแบบที่ไม่มีเราจะให้ทำแล้วก็หมดเนี่ยก็ทำทีเดียวไปให้มันหมดไปเลยคืออย่างหนูถาวายทานทุกวัน อย่างนี้ค่ะหลวงพ<ด>่อถว้ทุวนเป้าหมายคือการถวายนี่ก็เพื่อให้เราตัดทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีเะฉะนั้นถ้าเราจะจะจ ะ, จะทําให้มันหมดปัญหาไปเลยก็เอาเงินทองที่เราจะไม่จําเป็นจะต้องเก็บไว้เนี่เไปทําให้มันหมดใช่ไหมก็ ท, ทําทีเดียวให้มันเสร็จไปเลย คือมันจะเสียสัจจะเพราะว่ามันเป็นสัจจะที่มันมันมันมันเป็นขั้นบันไดเมื่อเราเราผ่านขั้นนั้นไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับขั้นบันไดนั้นเพราะมันมันพาเราขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงกว่านะแต่ถ้ามีโอกาสก็คือทําได้ก็ทําไปใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่แต่ไม่ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือการภาวนาถ้าเราเข้าสู่การภาวนาแล้วก็ เรื่องการทำทานเงีมหมดเหมือนความหมายไปเหมือนความจำเป็นแปค่ะหลวงพ่หนูจะปฏิบัติต่อไปค่ะหลวงพ่อจะเสียสั จ, จีลไม่เสียสศจลก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เราเสียประโยชน์มันไม่เพราะเราได้ประโยชน์ที่สูงกว่าจากการทําทานประโยชน์ที่ได้จากการทําทานที่มันน้อยกว่าประโยชน์ที่ได้จากการไปภาวนาะคือ คือตอนเช้าหนูไปถึงที่ทํางานประมาณ6โมงคืนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะไปถวายทานก่อนแล้วเสร็จแล้วหนูก็จะขึ้นไปห้องพักของบริษัทค่ะมันไม่ค่อยมีคนหนูก็จะปฏิบัติจนถึง8โมงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อได้ไดเป็นลาหรอกให้รู้ว่ามันเป็นขั้นมันใดแนละ้วเมื่อมันถึงขั้นหนึ่งแล้วมันก็ต้องผ่านมันไปไม่เล่นหนังสือจะว่าทิฏฐามันจะอยู่ ชั้นอนุบาลไปตลอดมันก็ไม่ได้มาถึงเวลาต้องขึ้นไปชั้นปฐมวัมนที่ชั้นชั้นวัชชันอนุบาลไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นถึงแม้จะเป็นการเสียสัจจะในการเสียสัจจะแบบนีน้มันไม่ได้ทําให้เราเกิดความเสียหายเขานะเนาะอ่อนคนเข้าใจนะค่ะอ่อนคนอย่างงั้นเราก็ไปติดตรงนั้นเนี่ยไปทำอะไรไม่ได้ น, นีียจะเสียหายกว่าวันนี้หนูรายงานหลวงพ่อประมาณนี้ค่ะหลวง่โอเคสาธำต่อไปสาทุขอบพรคุณหลวมพ่อนะคะสาธุสาธุคุณนภุิตแต่สกลนครใช่ไหมครับอาจารย์กับนวสการอาจารย์ครับอาจารย์ก็ทำสมาธินะคระับอาจารย์ตอนนี้ก็ อืใช้สติเพ่งมองลงไปในคําบริกรรมนั่นนะครับอาจารย์ อ, อ, อคําบริกรรมมันยังไม่เด่นชัดลงไปในมันยังไม่วางลงไปในคําบริกรรมพุทโธนั่นแหละอาจารย์แต่มองผ่านลงไปแล้วมันก็เห็นตัวที่ผ่านลงไปจิตมันยังไม่มันยังไม่เลยผ่านอารมณ์ที่มันยึดติดอยู่นะครับอาจารย์แต่บางครั้งมันก็แวบลงไปครับแต่มันก็แวบลงไปในคําบริกรรมบางทีเราต้องถอนกลับขึ้นมาอยู่กับอนันต์ยิ่งก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ครับรอาจารย์ ก็ต้องฝึกสติให้มันอยู่กับคำบริกรรมให้ต่อเนื่องครับก็กองลงไปอยู่สติมันกองเพ่งมองกองลงไปในคําบริกรรมนั้นอยู่แต่มันยังไม่เด่นชัดขึ้นมาอไอตัวไอตัวที่กองผ่านลงไปอะ่ะมันยังเอ่อมันเห็นอารมณ์พวกนั้นอยู่แล้วมันก็พยายามผ่านวางตัวนั้นลงไปแล้วก็ค่อยๆลงไปในคําบริกรรมพุทโธนะ่ะเด่นชัดขึ้นมาอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างครับพยายาัชย์เด่นพุทโธอย่าไปสนใจอะไรเลย ครับมันยังไม่วางลงตรงนั้นนะยญามันยังเกาะติดหนึกอยู่เลยครับพญานแต่ว่าเอมันมาถึงตรงจุดนี้ก็อืมก็อย่างก็อย่างที่เขาคุยกันนั่นแหละก็คือเออ่ครั้งแรกที่มหาวจารย์เนี่ยที่ภาวนาลงไปนะมันเห็นจิตที่มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมพญาตัวนั้นอ่ะจะวุ่นวายมากก็ดึงเข้ามาใกล้หน่อยหนึ่งก็นึกถึงคำพูดมาถึงตรงจุดนี้นึกถึงคําพูดของลุงตาที่ท่านบอกว่า การภาวานาก็เหมือนกับการเสาจอมแหที่เราบานออกไปนั่นแหละก็เป็นการดึงสติเข้ามาไม่พอาจารย์ในความหมายของดวงตาใช่ <S 1> <S 1> ดึงใจเข้ามาดึงใจามาันม็เลยก็ดึงสติเข้ามาใกล้ๆมาถึงตงัวเองใช่สติดึงใจให้เข้ามาครับก็ดึงใกล้เข้ามาเรื่อยๆครั้งแรกก็ยังไม่ใกล้เท่าไหร่คิดว่าเข้ามาเนี่ยแต่ไปเห็นอีกทีนึง่งอ้าวยังอยู่ข้างนอกอยู่ตะดึงเข้ามาอีกสาวเข้ามาอีกทีหนึ่งมาถึงตรงจุดนี้ก็ก็ก็ก็ยังก็ยังแหีมันยังไม่ลัว อย่าไปทิ้งคำบริกรรมอย่าไปทิ้งคำบริกรรมให้ยืมก็ติดกับคำบริกรรมไ่ตลอดนะครับก็ประมาณนี้เลยครับพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์คุณจิ๊จากแมรี่ลนดยูเยินี้ทำงานเหรอกราบน้ำรสการค่ะพระอาจารย์ทำงานเจ้าค่ะวันนี้ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจะได้ยินค่ะ ก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าเมื่อคืนมีเรื่องกับลูกสาวนิดหน่อยหมายถึงว่าลูกสาวมีมีเรื่องไม่สบายใจอะไรเงี้ยพระอาจารย์ยมไม่รู้ว่าเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าคล้ายคลลูกของสลินทอนแต่ว่าต่างกันต่างวัยต่างต่างสถานการณ์นะคะของลูกยมก็คือเขาก็จะคิดว่าเขากลัวตัวเองตายเขากลัวคนที่เขารักกลัวพ่อกลัวแม่กลัวพี่ตายเขาแบบเอ๊ะคนเราเกิดมามีชีวิตเพื่ออะไร แล้วทุกคนก็ต้องตายเขามองเด็กเล็ ก, เ, ลกเขาก็ร้องไห้เขาแบบทุกคนก็ต้องตายแล้วเราจะเกิดมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยยมแบบอ๋อไม่รู้จะตอบลูกยังไงไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนี้ยมไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลกระทบมาจากการที่เราอยากกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยแบบพี่ชายเขาก็มานั่งตอบอะไรเงี้ยบอกว่า ไม่เป็นไรนะคิดได้แต่ว่าความคิดนี้เดี๋ยวมันก็เป็นเทมเพอรี่นันน้องเขาก็ปอบน้องสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยงก็แบบไอ้เราก็แบบอะก็ไม่ต้อาาตงก้องก็ต้องเข้มแข็งให้ลูกเห็นแต่ใจเราก็แบบโอเห็นลูกร้องไห้เราก็อยากช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงก็ได้พระอาจารย์มีคำแนะนำไหมเจ้าคะก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีกินนดก็มด พระที่ขึ้นก็ต้องมีพระที่ตกฝนตกแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็หยุดแล้วก็ไม่แด่เราทุกอย่างาก็มีการเปลี่ยนไปมีการเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วดับไปนี่สิ่งที่เราควรจะทมก็คือพยายามเอาเวลาที่เรามีในชีวิตนี้มาทำประโยชน์ให้กับตัวเราและให้กับผู้อื่นทำความด้วยการทำความดี ค่ะยมยมก็พยายามสอนเขาก็พูดกับเขาม้่งมาเหมือนกันว่าคนเราเกิดมาบนโลกนี้มันก็ต้องมีเหตุและผลอะไรเงี้ยเราเกิดมาแล้วเราก็ทําตัวให้ดีมีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับคนอื่นตอนนี้เรามีหน้าที่เรียนเราก็เรียน mm hmm. แต่ถ้าเกิดเราโตขึ้นเราได้ทํางานเราก็คิดว่าเราทําให้ตัวเองกับคนอื่นช่วยสังคมช่วยคนอื่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็คือ น, นี่แหละคือชีวิตที่เกิดมาอย่างน้อยเราก็อยู่ในความดีดำเนินในชีวิตในความทางเดือนของความดีะอะไรเงี้ยค่ะยมก็พยายามบอกเขาแต่แบบมันเศร้าแค่ว่าเขาร้องไห้แบบเออสะอื้นสะอื้นยมไม่เคยเห็นลูกร้องอย่างนี้เลยอะค่ะยมก็เลยแบบใจหายเหมือนกันเนี่ยน้องยาจานมีลูกมันก็ห่งแบบอีกแบบหนึ่งอะค่ะมันก็ก็บอกเขาสียว่าตัวเราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ต้องไปกลัว เราล่างกายตายไปเราไม่ได้ตายกับล่างกายเราเป็นย s e r ของล่างกายค่ะเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาค่ะลูกชายอ่ะลูกชายจะเข้าใจมากกว่าน้องสาวแต่น้องสาวนี้แบบซึมซึมมากค่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็น driver ออนน ร, ร่ะพอยน์น์ driver ไม่ได้เป็นอะไรในกรรนยนต์นนเดี๋ยวตถคันนี้เสีย d r i ก็ไปหารถคันใหม่ต่อค่ะโยม โยมกับพี่ชายเข า, เขากับเขาก็เลยคุยกันว่าเราคงต้องมานั่งสมาธิมากขึ้นแล้วพี่เขาก็บอกว่าแม่นั่งเลยดีนะเรามานั่งกันเพราะมานั่งสมาธิไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนานะแต่มันเกี่ยวกับการที่เรามีสติดีีไม่ฟุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็แบบโอเคเดีย๋ยวเราคงต้องทําในสามคนแบบมานั่งพร้อมกันลองนั่งดูสีอะไยพร้อมๆกันอะไรอ่ะค่ะ mm hmm. ก็แบบสอนให้เขามือย่างเมื่อคืนโยมก็ไหนลองนอนแล้วลองดูเช mm ่ล hmm. ูกว่านหนึ่แบบ จิตใจสงบลองมองลมหายใจซิว่าหนูจับจับลมหายใจได้ไหมจับลมได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มันเขาก็พยายามโอกาสนะว่าก็ได้นะคะแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่รู้ว่ายมทําถูกหรือเปล่าว่าอาจารย์ยมก็แบบไม่เข้ามาทำเจิดทําเจิดให้ใ่ไหมหมอค่ะค่ะก็มันนี่ก็มีเรื่องแค่เนี้ยค่ะปอาจารย์แต่ตัวเองก็พยายามตั้งสติก็พยายามนั่งสมาธิ มันพยายามสอนคอยให้รู้ใหรู้ว่าเขาเขากัร่างกายเป็นคนเราส่วนกันค่ะคนต้องเดี๋ต้องหายกตัวอย่างค่ะเดี๋ยวโยมจะเอาคําพูดพอาจารเรื่องรถยนต์เนี่ยค่ะค่ะโอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์กับขอบพระคุณค่ะพอาจารักษาสุขภาพนะคะสาธุดาสาธุดาเชิญคุณพิมพ์ตอบคุณพิมพ์อยู่ี่ไหน นวัตกรรมพระอาจารย์ค่ะหนูมาครั้งแรกนะคะไม่เคยมากราบพระอาจารย์เลยอ ย, อยู่ที่ไหนอยู่อยู่กรุงเทพค่ะโอเคคื อ, อไไ ห, หนูแค่อยากแวะเข้ามาดูในซูมเพราะว่าหนูฟังพระอาจารย์ใน youtube มาตลอดค่ะตามฟัง ต, ตามคลิปสั้นคลิปยาวมาค่ะก็เลยอยากจะมากรบกาบนวัตกรรมพระอาจารย์ค่ะ ก็ยินดีต้อนรัมีอะไรอยากจะถามไหมคื อ, อพยายามกำหนดสติคือหนูปฏิบัติเช้าเย็นจริงๆเช้าชั่วโมงหนึง่งก่อนนอนชั่วโมงหนึ่งมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็รู้ถึงความความละเอียดของขอ ง, ของเวทนาที่มากขึ้นข้างในมากขึ้นนะคะแล้วก็พอข้างนอกพอชีวิตประจำวนันมันก็ล แบบเหมือนกับรับรู้พยายามอยู่อยู่กับลมมากกว่านะคะอยู่กับลมมากกว่าอยูกัลมหายใจอยู่กับกายแล้วบางทีรู้สึกว่าจิตมันซึมซึมช้าชระหว่างวันนะคะเหมือนมันแบบมันนิ่งๆไปเองนะคะแล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยจะฉับกระเฉงงานที่เคยทําได้เป็นมัลติทัสก็ทําได้ทีละอย่างแบบทีละอย่างเลยไม่สามารถที่แบบทําอะไรหลายอย่างได้พร้อมกันเหมือนเมื่อก่อนแล้ว อย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดยังไงคะ่ะคือดูที่ว่าใจเราสงบไม่สงบว่าเราจะทําแบบไหนก็มันก็ไม่สําคัญแต่ว่าใจเราเย็นหรือไม่เย็นใจวเวลาทํางานหลายอย่างมันใจร้อนก็ได้ใช่ไหมใจร้อนแล้วก็ไม่มีความสุขช่วยทำทีละอย่างแล้วใจเย็นมันดีกว่าขอให้ใจเราเย็นที่เราปฏิบัตินี้เื่อทําให้ใจเราเย็น ไม่มีใครจะเป็นจะต้องทำทุกสิงทุกอย่างเพร่พอเพกัรเปนที่ดียกันว่าความต้องการของชีวิตเรานี่มันไม่มากตตแ่ร่างกายเราก็ต้องการแค่อาหารแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นทาไมจะต้องไปทําอะไรให้มันมากไปให้มันเหนื่อยากไปทำไมใช่ไหมมองอย่างนี้ตายไปก็ไปไม่ได้ทักอย่างที่ที่ทํามาหามาได้ถ้าเป็นแทบตาย งนการฝึกจิตนี้ก็ทําให้จิตเราเย็นทําให้จิตเร า, เ, าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ฟุ้งซ่านนไม่ไม่ร้อนไม่ใจไม่ร้อนต้องการทําให้ใจเราเย็นงั้นถูกก็ละถ้าเราคิดว่าเราทําได้ทีใ อ, อย่าง ก, ก็ดีพูะจ้าจต้องการเราฝึกทีใดอยา่างทำทีใดอยา่างแล้วทำให้มัน ทำให้มันได้เกิดผลดีกับจิตใจมันทาให้ใจเราเย็ยนใจเราว่างใจเราสบายหรือว่าทาอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่ได้สักอย่างจาับจับปลาสองมือเนี่ยจับไม่ได้อะไรทั้ไม่ได้สักตัวเนี่ยเอาเที่เอาตัวเดียวดีกว่าจับปลาเทืเอดตัวเดียวดีกว่าแต่แต่โวลูมในการทํางานมันช้าลงเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ ่วการ จ, จะไม่ชาก็ได้มันขึ้นแต่ว่าใจเราอาจจะเร็วขึ้นใจเรารู้สถา ก, การทํางวัของร่างกายัช้าก็ได้เพราะเราเรารู้รถึงการเคลื่อนมาวของร่างกายมากขึ้นกว่าเก่าค่ะไม่เป็นไรนไม่เสียหายเท่ไหร่ขอให้ดูที่ใจเราก็แล้วกันดูที่ใจว่าเราใจเราเย็ยนใจเราสบายหรือไม่ไมนั่นการปฏิบัติก็เพือที่ทําให้ใจเราเย็ยนใจเราสบาย ถ้าใจเราไม่ถุกไม่รอ้อนไม่อะไรก็รไม่เสียหายกันไปแล้ค่ะแล้วก็เวลาที่เวลาที่นั่งปฏิบัติอนะคะนั่งสมาธินะคะ่ะก็คือเข้าเข้าเหมือนกับว่าบางทีมันก็รวมได้บางทีรวมไม่ได้มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าหลังๆมานี่รู้สึกว่าบางครั้งที่มันมันมันรวมเข้าไปแล้วอะคะ่ะมันจะไปอยู่ข้างในแล้วมันก็จะนิ่งๆพอมันนิ่งๆก็คือก็คืออยู่ตรงนั้นไปหรือว่า ได้พยายมามพยายามประคับปรเขอมันนิ่งนิ่งนานาไม่ต้องทำอะไรทำน้ำใจใจพากผ่อนดังนั้นมันที่พักผ่อนิงใจอันที่แตงบาร <c oughs> มลนีพยายามมันนิ่งนางาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรก็คืออยู่อย่างนั้นไปเรืเอ่อยๆให้มันั่งให้นานาให้มันนิ่งนานายิ่งนา น, น, นได้เท่าไร ย, ยิ่งดีบางครั้งมันจะถอนออกมากถ้ามันยังไม่ถอนออกมาไม่ต้องไปเดกมนอก ได้ค่ะอพอออกมาก็ฝึกสติต่ยเพื่อคาวหน้าจะได้เข้าไปได้ง่ายขึ้นแนวขึ้นหนานขึ้นแบบนีไ้ไปก่อนยังไม่ต้องกังวลทั้งปัญญาปัญญาไว้ให้เราชำนาญทางสมาธิก่อนถ้าเอาไปทำปัญญาได้ค่ะโอเคนะ ได้ค่ะกลับนมัสการค่ะอยู่ที่ไหนเมื่อกี้เลยถามไม่ไอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพโอไปที่คุณชริสาเอ็นเคญี่ปุ่นกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ไปยังไงตอเกียวเลรอคะตอเกียวค่ะสองยาวเ่อตอเกีย ว, ว <c oughs> เนีเ่ยเอาดอกไม้มาเป็นแบเกรอรสตัสด สวยดีนะคะพระอาจารย์ดอกอะไรไม่ทราบใช่คุณล่ากำลังบาดใช่ช่วงนี้อ๋อรู้สึกว่าจะเป็นดอกดอกลัดดาวันบางค่ะอันนี้ค่ะอาทิตย์นี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์โอเคเอาไปเลยนะกราบค่ะเอาไปเลยคุณหมอหน้าท้องมิดต่อคุณหมอกราบน้องสกันพระอาจารย์ครับมาเข้ามาฟังออฟ พอดีวันก่อนฟังธรรมของหลวงตาบัวแล้วพอดีเห็นเรื่องการข้ามเวทนาที่จะมีสองแบบคือข้ามด้วยสติกับข้ามด้วยปัญญาสตินี่พอเข้าใจได้ว่าเราก็กาหนดในอารมณ์กรรมาฐานแล้วก็อยู่ที่ตรงจุดนั้นไม่ไปยุ่งกับเวทนาให้มันอยู่ที่จุดเดียวที่เราที่เราตั้งใจเป็นอารมณ์ไว้แต่ขั้นมด้วยปัญญานี่เรา อ, อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งครับว่ามันทําอย่างไรแล้วอไปปัญญาไปตะลุมบอลแล้วมัน สงบอะไรนี่มันคือปัญญาก็ต้องมาแยกว่าเวทานาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งร่างกายา ก, ก็เป็นสภาวะสภาวะธรรมอย่างหนึ่งแล้วใจู้รู้ก็เป็นเป็นผู้ลุ่ยนี่ตาไฟก็มีหน้าที่ของเขาร่างกายมีหน้าที่อยู่ที่เป็นเด่นน้าลงไฟก็ปล่อยให้เป็นเด่นหน้าลงไฟครับของร่างกายไปไม่ต้งองไปทําอะไรครับร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่างกายเวทนาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น นั่อยู่แล้วดับไปที่มันก็นไม่ได้ไป ใ, ใต้กันกบุมบังคับของเราเราเป็นผู้รู้ก็ให้รู้ไปเฉยๆพยอยามแยกตามส่วนๆ<ฆ>ไปปล่อยให้นั่งกายอยู่เฉยๆไปนั่งกายมันไม่มันไม่เดือดร้อนกับเวทนาคร<ฆ>ับแล้วก็ปล่อยให้เวทนาแสดงไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้เราคับมันไม่ได้คร<ฆ>ับทําใจร้ายนิงๆเฉยๆฉยฉยด้วยการอาศัยการบริกรรม แต่ดิบริกรรมด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าทําไมเราไม่ควรไปยุ่งกับเวทนาเราไปยุ่งกับเวทนาแล้วมันจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความยากครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สติก็คือเราก็ไปอยู่ที่จุดจุดที่เรากําหนดอ่าเช่นลมหายใจช่ตรงตำแหน่งหรือว่าแต่ว่าถ้าเป็นปัญญาเราก็ต้อง เราเรียที่เวทนาใช่ไหมครับแย่เวทนาว่าเวทนาก็เป็นธรรมสภาวะธรรมที่ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่อันดับไปเหมือนกับดินฟ้าอากาศอย่างนี้ครับนะที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ครับมือนฝนมันจะตกแล้วก็ต้องปล่อยมันตกไปเวทนามันจะแสดงก็ปล่อยมันแสดงไปครับรู้ก็รู้แต่ว่ารู้ไปครับ ไดน่างการมันก็มันก็มีหน้าที่นั่งปล่อยมันนั่งไปเฉยเฉยมันไม่มันไม่เดือดร้อนแล้วแล้วมันจะไปรวมจนกระทั่งมันสงบมากกว่าการสติข้ามเวทนาได้ได้อย่างไรครับอถ้าเราใช้สติคอยบริกรรมคอยนั่งหลงเมื่อท่านกินมันก็จะนิ่งพอเนิ่งแล้วมันก็จะอยู่กับเวทนาได้ก็จะเฉยกับเวทนาได้ครับผมนะถ้ามันไม่นิ่งมันก็ยังมีตัญหาความอยาก อืมครับนะครับปัญญามันก็ทุกมันก็ทรมารย์ครับนี่น้องปัญญาใช้ใช้สติให้ใจนิ่งให้ได้ครับนะก็คือเหมือนกับก็ดาเนินคู่กันไปใช่ไหมครับก็คือก็คือก็คือใช้สติแล้วถ้าสติแล้วามันจะมันก็มันก็รว่าเรมันไปปล่อยมันไปเราทำอะไรมันไม่ได้ับมายุ่งก็มันยิ่งทําให้เราทุกข์ขึ้นมาใหญ่ครับนะ ก็คือดูมันไปว่ามันก็เกิดแล้วก็ดับเป็นอนัตตาแล้วก็กานทําใจ<ห>ให้อยู่กับเหมือนกับเรามีความดินน้ำลมไฟอยู่กับฝ น, น, น, น, นฟ้าก็ได้เป็นฟ้าก็ได้ไม่เสริรมก็ได้เวลาเกิดเวทนาก็อย่าไปอยากให้มันหายเาความอยากให้มันหายทําให้ตายทุกข์ขึ้นมาใจเครียดขึ้นมน จะต้องเพิ่งปฏิบัติได้เขาดูว่าจะสู้กับมันได้แค่ไหนครับเนี่ยอาวุธหลายๆอย่างครับอยู่ที่กำลังของสติของเราครับรัญญาเก็บอกว่าเป็นอนัตตาเราไปบังคับมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เพราะงั้เราก็สามารถใช้ควบคู่กไปได้ใช่ใช่ใช่เพบาะว่าก็คือต้องทนไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็สติอยู่ที่จุดนี้แล้วก็วางมันไป ไม่ว่ามันจะเจ็บก็บปล่ยมันเจ็บไปครับถ้าไม่ยอมมันไม่ยอมปล่อยก็ใช้คุณทวกคุถทอักอำบริกรรมไปให้มันปล่อยไปครับอโอเคนะครับเปงนไงเพื่อนหมอที่มาด้วยพอใจไหมพอใจครับพี่ก็เขาก็ก็ก็ไปไปฏิบัติครับ พี่อาจารย์เขาก็ไปปฏิบัติอยู่เป็นประจําอยู่นะครับพีอาจารย์เขาเคยดูแลพระอาจารย์อา น, านันต์เขาแบบไปอยู่ทา้งนั้นก็เลยขอมาลองปฏิบัติตัางทางทางทางนี้บ้างสายลมจากรบกางครับนะ ค, ครับแตเห็นที่เขาก็ชอบอยู่เห็นว่ายากจะตามมาอีกครับนะก็เปลี่ยรสชาตอยู่นะครับมบบาวันนี้เราค่อนข้างจะเปลี่ยไม่เวื่อยหน่อยไม่ยุ่งกับใครอะไร ครับก็จะใช้ครับก็จะเป็นส่วนตัวแล้วก็แล้วก็มีมีสถานที่ที่วิเวกนี่สึงครับมาโอเคคริก่อนนะได้ครับนะครับโอเคสันดดินนโมอามาอามาสการครับพรอาจารย์วันนี้กว่าคุณแม่จะเลิกงานเข้าไปเข้าสู่ช้าครับผมออว่าอย่งไรมีอะไรไห ครับพระอาจารย์ก็ฝึกต่อเ น, นื่องครับจนมีการบ้านมาส่งพระอาจารย์จาได้ครับผมก็ฝึกเจริญสติครับพระอาจารย์แล้วก็คราวนี้ฝึกไปเรื่อยๆมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์มันจะเหมือนเราแยกกันร่างกายกับจิตนะครับอาจารย์มัน มันแยกกันเป็นแบบสองอย่างเลยคือเราถอยห่างออกมาดูข้างในแล้วเป็นเป็นแบบร่างกายมันขยับมันแต่อีตรงข้างในตัวข้างในมันคือแบบไม่ยุ่งด้วยคื อ, อยู่นิ่งๆอย่างนี้เลยครับอาจารย์แล้วก็นึกเป็นห่วงเพื่อนเพราะว่าตอนที่กําลังเกิดสภาวะนั้นนะ่ะเพื่อนเขาแกล้งเราอย่างเงี้ยคราวนี้เราก็มาแกล้งทําร้ายมันใส่อะไรเงี้ยครับอาจารย์ ก็กลัวว่ามันจะกั๊มนะเพราะว่ามาทำตอนเรากำบังแบบมีสภาวะทางธรรมอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็ไม่ได้โกรธอะไรครับก็โหสิกับครับอาจารย์อก็ต้องให้อภัยกันอย่าไปอาฆาตพยาบาทกันครับอาจารย์แต่เป็นสภาวะที่ไม่เคยเจอมาก่อนคือแบบมันเป็นสภาวะที่เราถอยห่างออกมาครับอาจารย์มันแยกกันชัดเจนเลยครับ ครับอาจารย์แล้วก็เมื่อเช้าก็เพื่อนคนเดิมก็แกล้งแก้งแก้งจนเราคือเราก็ไม่ได้โกรธแบบเกิดอารมณ์โกรธแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าคือเราจะปล่อยให้เขาแกล้งต่อไปไม่ได้เพราะ น, นี้มันก็คือมันเกินมันไม่ถูกกาลเทศะอะไรอยนี้นะ้เราก็กำลังใจอีเมล บอกคูค้มคาสเลอร์บอกมาจัดการทีเขาเห็นเขากลัวเขามาขอร้องขอ ล, อขอลอ้องขอน้องอยากส่งเลยอยาส่งเลยเราเห็นเราก็สงสารเรา ก, ก็ไม่ส่งก็ได้ก็ก็ไม่ได้ส่งครับก็นึกถึงคำที่อาจารย์สอนว่าอภัยทานฐานสูงสุดครับผมอภัยาทานถ้าได้ไม่มีเรื่องกันก็จะ ไ, ได้ไม่มากอดเกียดเราครับ อาจารย์ตอนแรกก็คือเราก็ไม่ได้อาคาดเลยรหรอกครับอาจารย์แต่ว่าพอเขาทําบ่อยๆเราก็เออมันต้องมีบทเรียนอะไรหน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาทําเรื่อยๆเขาทำเรื่อยๆอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าเขาไม่เกรงใจไม่อะไรเราเนี่ยครับก็ดีบางทีก็ต้องมีการตักเตือนกัน้บ้างให้ใบเหลืองบ้างใบเหืองใบแดงบ้างโอเ อาจารย์วันนี้คือเรื่องเกิดตอนเช้าไหมครับอาจารย์หลังเลิกเรียนเขาเดินมาหาผมอ่อนบอกว่านโมสรุปคือไม่ส่งจริงๆใช่ไหมผมก็อ่าไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งก็คือไม่ส่งแต่อย่าทำอีกเออก็บอกเขาอย่างนี้ครับอาจารย์ก็ดีก็ดีถ้าเขาถ้าเขาทำถึกขิดแล้วก็ไม่ต้องไปเอโทษเขา อาจารย์แล้วก็บางทีบททดสอบมันไม่ได้มาแค่ตอนตื่นนะครับอาจารย์มันมาตอนนอนหลับแล้วฝันอย่างเงี้ยครับอาจารย์อย่างเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าขัดเพื่อนขัดใจแล้วกวนประสาทแล้วก็กําลังจะปี๊ดแล้ปี๊ดไปสักพักเออมันลึกลึกลึกขึ้นได้เออมันละลึกขึ้นได้ในฝันครับอาจารย์มันสู้ลบกับมันไปทั้งคืน อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ในฝันว่าคืนนี้สอบตกค่ะเพราะว่าปีไปแล้วและเพิ่งมีสติมารละลึกรู้ทีหลังครับผมก็พยายามทำกันบ้านให้มากขึ้นครับครับอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของการพิจารณาอาการ32สก็ยังท่องอยู่ทุกวันครับแล้วเวลาท่องก็จะท่องแล้วก็พยายามนึกถึงอวัยวะในส่วนต่างๆ แล้วเวลาที่ไปมองใครก็จะลองมองว่าเอออาการ3 2นี่ว่แต่ว่าแล้วก็เวลาที่เจอแบบคนที่แบบหน้าตาที่แบบสวยหรืออะไรนี้เราก็จะออาการ3 2ชัดๆ <c oughs> แต่บางทีก็แบบเอ่มันก็ยังมีมีแบบว่าชอบแซวนะครับอาจารย์ในอินส a g แกรมก็ยังมีอ <c> ย <oughs> ู่แล้วก็ต้องพยายามระมัดระวังคำพูดต้องสงัมผัร่งครับผมอาจารย์ มอมา้ําฝึกไปเรื่อยนะอย่างน้อยเราเริ่รู้ว่าเราต้องทนะอําะไรแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงไปนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ ป, ปฏิบัติต่อเนื่องครับอาจารย์เดี๋ยวไปฝึกต่อครับคราวนี้ในฝันจะจัดการให้ได้เลยครับผมโอเคครับขอบพระคุณพระเจ้าครับนะครับ อันนี้ไปที่คุณหลานะคัุณหลามีคำถามไหมอันนี้มันก็นี่เลยไปค่ะมีคำถามจากทาง Facebook และ Youtube ทั้งหมดแปดคำถามใช่ไหมคำถามแรกจากคุณบอยอยากเรียนถามว่าถ้าจะมีคู่ไว้ช่วยเหลือกันแม้นจะแค่ช่วงเวลาหนึ่งจะทำได้ไหมครับก็คู่อาจจะตอนแรจะเป็นเป็นเพื่อนกันช่วยกันก็ได้แต่ต่อไปอาจจะกลายเป็น กล้เป็นคู่ต่อสู้กันได้เพราะคนเรามันไม่แน่นอนก็ต้องยอมรับกับความไม่แน่นอนถ้ายอมก็มีได้บอกที่ว่าให้เข้ามาเป็นคู่มาช่วยเหลือกันทําไปทํามากลายกันเป็นมอกัดกันมันเป็นคู่กัดกันได้อีก็ต้องก็ต้องยอมยอมเสี่ยถ้าอย่ากใหไมัมีคู่แต่แ <Okay. S 1> ม่คนที่เขามีคู่เขาตีกันหัว เลือออกเลื่อนอากมาเนี้เขาก็คิดว่ามามจะมาอยู่ร่วมกันมาช่วยกันแล้วทำไปทามาทำไมกลายเป็ น, เ ป, นเป็นกายเป็นคู่ชกกันไปแล้วคําำถามต่อไปจากคุณเอกวิทย์ค่ะพระอาจารย์ช่วยเทศโปรดกระผมด้วยครับกำลังสองจิตสองใจว่าจะไปบวชหรือสร้างครอบครัวแต่ใจเชื่อพระอาจารย์ว่า หาเงินหาทองหาครอบครัวตายไปไม่ใช่ของเราอยู่ดีจะหาไปให้เหนื่อยไปทำไมครับรก็เถอะครับตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันอันนี้เราตัดสินใจให้ไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณวาสนากราบขอคาชี้แนะให้ก้าวผ่านความเจ็บเวลานั่งสมาธิครับก็ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บ อย่าไปอยากให้ความเจ็บหาบอกปล่อยให้ความเจ็บมันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันเราอย่าไปยุ่งกับมันเรามาอยู่กับคํามเลยกับมุทโธมุโทมโธไปครมีสองคำถามจากคุณพันธิวาค่ะคําถามแรกพระอาจารย์ครับยังต้องทํางานอยู่จําเป็นไหมครับว่าจะต้องทําใจให้สงบก่อนแล้วค่อยไปบวชหรือจะไปบวชเพื่อทําใจให้สงบ เพราะเป็นค า, ารวะหาความสงบได้ยากมีเรื่องต้องคิดตลอดครับก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าไปได้ก็ไปเลยแล้วไปทําใจกันบอกก็ได้แตต้องไปหาวัดที่ที่มีการปฏิบัติถ้าไปอยู่ที่วัดที่ไม่มีการปฏิบัติมันก็จะไม่สงบอย่างเดียวคำถามที่สองของคุณพันธิวาพระอาจารย์ครับหลายๆคนคิดว่าต้องรอให้กเกษียณก่อนค่อยมาปฏิบัติธรรม แต่ผมคิดว่าถ้ารอให้แก่แล้วธาตุขันคงไม่อำนวยแล้วถ้าไม่ลุยทมชาตินี้ไม่รู้ว่าต้องรออีกกี่แสนชาติจึงจะได้เจอพระพุทธศาสนาอีกผมคิดถูกไหมครับ ถ, ถูกกนะ็ะลพระพุทธเจ้าเมื่อไม่รอนาะยอายุยี่สิบเก้าท่กับไปบวชนะมีสองคำถามจากคุณเพ็กกี้นนท์ค่ะคำถามแรกขอโอกาสพระอาจารย์ถามคาถามดังนี้เจ้าคะ่ะ ขอความกระจ่างในทางสายกลางกับการดําเนินชีวิตในทางโลกของคารวาสและการใช้ชีวิตแบบเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นค่ะก็ทําทําหน้าที่ของเราไปให้ ถ, ถูกต้องให้สมบูรณ์ทางโลกเรามีหน้าที่ทำงานทำาหากินเลี้ยงปางเลี้ยงทองแล้วก็ทําทไปด้วยความชื่อสัตว์สุดจริง ทางทำแล้วก็พยายามปฏิบัติทางศีลภาวนาไปทางตองรา่างของเราคำถาม ท, ที่สองของคุณเพกี้นนท์กลับเรียนถามพระอาจารย์คนที่ทำผิดในทางโลกเช่นหนีคดีห น, หนีหนี้แต่ตัดทางโลกด้วยการหนีไปบวชจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมเจ้าคะเม่รู้แต่ว่าเขาปฏิบัติบางท่านเจิญนักแต่ เขาก็จะเรียนสิ่สมาธิปัญญาให้เขาก็บรรลุคำถามต่อไปจากคุณนาวานาวีพระอาจารย์เน้นย้ำเรื่องการแผ่เมตตาให้ยิ้มทักทายมีมัตรีจิตถามสารทุกสุขดิบทีนี้โยมและสามีต้องการฝึกสำรวมอายตนะโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามคือพยายามเลี่ยง คำถามคือจะผสมผสานสองสิ่งนี้อย่างไรที่จะไม่เป็นการสํารวมจนผิดแปลกมารยาททางสังคมและถ้าจําเป็นต้องมองต้องสนทนาด้วยจะต้องทําอย่างไรถึงจะเรียกว่าคุยอย่างมีสติต้องตั้งไม้เซตแบบไหนคะต้องจินตนาการเปลี่ยนสมมุติเขาไหมคะหรือควรมองให้เขาเป็นอสุภะคะขอพึ่งบารมีธรรมพระอาจารย์ด้วยเจ้าคะ่ะมันก็เกี่ยวกับกาลเทศะ เราพบปะกับใครเราก็ต้องอย่างน้อยก็มีสัมพันธรรไ์ไมตรีที่ดีทักทายกันแต่เราก็จะไม่คลุกคลีกันแบบทําให้เราต้องเสียเวลามากจนเกินไป ค, คุยเพื่อให้เสียมารยาททางทายกันใส่ค่าถ้าไม่มีธุระอะไรต้คุยอะไร ก, ก็ขอตัวไปไปตัวไปทําหน้าที่ของเราต่อคําถามสุดท้ายจากคุณเบนจวัล การภาวนาทั้งสติและปัญญาดำเนินไปเพื่อปล่อยวางจนให้ถึงอุเบกขาเป็นที่สุดของปัญญาเป็นความเห็นที่ถูกต้องไหมคะเพราะเราจะไม่มีภาละทางใจกายจะตายก็ตายไปคะ่ะใช่รางการทำใจปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไดนะ้ด้วยอุเบกขายังมัมีเวลาหน่อยนะมีสี4ท่านนอนอยู่ก็นอนปล่อยเข้ามาโดยไม่ต้องมาใช้เกมาได้ ตอนนี้ต้องคุมเวลานะ่ะไม่ให้เกินสี่ทุกขึ้นพยายามไม่ให้มันว่ามันจะเด็กเกินไปนะอะไรบางท่านอาจจะต้องรอยอยู่ในห้องนานหน่อยคนระับตายเข้ามาแนละ้วรอนานหน่อยวันนี้ยังไม่ยังไม่ยอมถอยก็ดีใจเย็ น, น, น, นอะรแบบตายเข้ามาเลยแต่แต่ก็ดูดูในดูในในราสนได้ใช่ไหมได้ค่ะพระอาจารย <Okay. S 2> ์ เวลาเราเข้าร อ, อไปก่อนนะวพราตอนนี้ต้อคุมเวลาหน่อยอ่ามันพระอาจารย์จะเลิกเร็วกว่าเดิมแล้วค่ะประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยได้เลิกว่าสีทมครึ่งไม่เกินสีทุ่มครึ่งถาถ้ามันดึกเกินไปกว่าจะได้น อ, นอนมันเกือบจะหองยามนะคะพระอาจารย์ไม่มีอะไรเจ้าค่ะก็เข้ามาเออข้าห้องเรียนแต่วันนี้เข้าสายกันเลยก็ไม่เป็นไรท่านได้ยินได้ฟังก็โอเค ก็ฟังอีกเครื่องอยู่ข้างนอกค่ะพระอาจารย์โอเคเอาทุกชนะดาต้องดีใจธรรมศาสการเจ้ค่ะพระอาจารย์คิดถึงพระอาจารย์ค่ะพยายามจะเข้าแต่สัปดาห์ที่เราไม่ได้เข้าแต่ก็ฟังฟังนะคะพระอาจารย์พรุ่งนี้ขอส่งเมนูหน่อยนะคะพระอาจารย์ พวกนี้เป็นสับประรดกับกล้วยหอมมาค่ะผาจารน <Okay. S 2> ช่วงนี้ชีวิตชีวิตมันไม่ค่อยเป็นสับประรดเท่าไหร่เลยค่ะเวลามันจะเป็นสับประรดก็เป็นกล้วยก็ต้องยอมรับไปตามครับจริงๆอย่าไปเลือก <c oughs> ชีวิตเราไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นอาหารตามสั่เป็นบุฟเฟ่เขาจัดมาฮะมันเหมือนอาหารโต๊ะจีนเขาจัดอะไรมาให้ ก, กีนก็ต้องกินตามที่เขาจัดมาใค่ไหมไม่ยากตามสั่งนะ ชีวิตเราเนี่ย จ, จะสุขอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยค่ะพระอาจารย์ว่าแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเจออะไรหลายอย่างได้มันหน้าตาแต่ันสเพธมานาตา่ปฏิบตตัติต้องเตรียมงบ ก, กับทุกรูปแบบการภาวนาก็ก็ ลูกไม่รู้จะอธิบายยังไง่ะคะพระอาจารย์อธิบายไม่ถูกไม่ต้องอธิบายหล่ะก็ทำไปทาใจมันสงบทำใจให้ปล่อยวางค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะให้รับกับทุกอย่างที่มันเดือวิสัยเราเราไม่บงังคับควบคุมทำไม่ได้อะไรมันจะเกิดก็ต้องก็ต้องยอมรับมันไปค่ะเหมือนในแผ่นดินไว้ที่ตุรกีเนี่ยเราไม่ีใครไปห้ามมันได้ห่า มันจะเกิดมันต้องเกิดเนี่ยคืออนัตตามันสภาวะของธรรมชาติเป็นอย่างนี้ค่ะดีนะครับลูกลุกทังไปกลับมาไม่นาค่ะอาจารย์ตุรกีไม่ได้ไปเจอช่วงพอดีตรงนั้นไปเจอพอดีจะได้เห็นจะได้เห็นสัจธรรมความจริงแต่ลูกว่าตรงนี้ก็หนักพอๆกับ แผนวหน่วไม่ต้องไปเจอก็ได้ค่ะพระอาจารย์ก็ดีก็ผ่านมันวางใจเฉยๆได้นะอย่าไปวุ่นวายกับมันอย่าไปแก้ได้ก็แก้กาไม่ได้ก็ปล่อยไปปล่อยมันไปค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคนะได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะกรับขอบคุณค่ะพระอาจารย์จอยต่อได้ยินไหมคะได้ยินรอหนานานมาันน มานตแรกหนูแรกหนูออกแล้วแล้วพอคาจาร์บอันนี้าตให้คา้าร์หนูก็เลยรีบเข้าเลยค่ะเนี่ะวันหนังต้องเข้ามาเร็วๆหายถ้อยากจะเข้ามาค่ะหนกลับจะขายของมาสองทุ่มแล้วสองทุ่มขวาแล้วไม่เป็นไรละถ้าเข้าไม่ได้ก็ฟังเรืองรอบไปก็ได้ถ้าไม่มีคําถามเลยก็มันเหมือนมีบางครั้งบางครั้งจิตมันชอบเศร้าหมองเหมือนเหมือนถ้าคิดถึงความตาเหมือนจะคิดว่าเรายังทําไม่ไม่เต็มที่เลยลูกก็ยังต้องเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยมัน มันควรคิดไ้ยคะหรือว่าก็ทำถ้า<ำ>ถ้าคิดแล้วว่าเราต้องทําให้เพิ่มมากขึ้นก็นดีนะครับช่วงที่มันเศร้าหมองก็พยายามใช้พุโทโธพุโทโธระ ง, งับ ม, มันไปก่อนทำใจให้สงบแล้วความเศร้าหมองของมันก็จะหายไปเหมือนกับถ้าถ้าอย่างนั้นก็ดึงก็อยู่กับปัจจุบันก็ได้ใช่ไหยค ะ, ะว่าเราทําทอะไรอยู่ทาอะไรอยู่แล้ว ท, ทวําพุทโธอะไรอย่างปล่อยให้ใจชิน มันคิดไปในทางกิเลสถ้ามันทำเศร้าหนองใช่ใช่ค่ะมันเหมือนกับว่ามันโลวเราต้องดูแลเพาวตลอดมันยังไม่ยอมรับความจริงมันยังอยากใช่ใช่ค่ะเพรา่ามันยังอยากคเพราะว่ามันมีทั้งทางโลกและทางธรรมเราก็เราเราเหมือนต้องเลี้ยงลูกไปด้วยเราเลยถ้าเราเสียมองแล้วก็หยุดคิดถ้าเรอยากใช้วโธวิธีอย่าคิดอย่าให้มันไปคิดอีกเรื่องราวเหล่านี้ โอเคเตรียมเลยนะเดี๋ยววันสอนี้จะไปเขาเขาพี่จ้กูดเลยค่ะไปที่เขาเชิญไปเออดีจะได้ไปขึ้นไปทําความเพียรขึ้นเดินไปกับพุทโธพุทโธไปแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยววันสอไปใส่บาตรเอ้วันวันพะค่ะวันจันทร์ไปใส่บาตรค่ะสาูกค่ะโอเคไม่มีใครรออยู่ในห้องนะใส่คล้ายไปหมดนะ เย็นมีเราเทั้งหกเจ็ดคนมันเป็น ร, าร้านนี่ครับคชนมีมาเพิ่มสองคำถามเจ้าคะ่ะคําถามแรกจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับการละความพอใจควรปฏิบัติเช่นไรเป็นที่ถูกต้องขอรับก็<อ>เห็นว่าสิ่งที่เราพอใจมันไม่เที่ยงเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันเสื่อมไปหรือเวลามันหมดไปมันก็จะทําให้เราเศร้าใจ อ่อย่าไปยินดีอย่าไปพอใจกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนให้พอใจกับสิ่งที่แน่นอนก็คือความสงบค่ะคำถาม <What? S 2> สุดท้ายจากคุณปุ้ยคะ่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะการภาวนานอกจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิเราสามารถภาวนาในอิรยาบถนอนได้ไหมคะ ภาวนากําหนดจนหลับไปถือว่าภาวนาไหมคะขอ<ม>อภัยไรอกถือว่าถือว่าเป็นการนอนหลับเป็นการภาวนอนไม่ใช่ภาวนาภาวนามันต้องสงบไม่หลับถ้าภาวนาเราหลับไปก็ไม่เรียกว่าภาวนาเรียกว่าภาวนอน <c oughs> ส่วนใหญ่ไม่นิยมสำหรับคนที่สติยังไม่แข็งกล้าพอนี้ไม่นิยมที่จะใช้ท่านอนในภาวนาเพราะมันนอนแล้วมันจะหลับ แต่ถ้าคนที่มีสติแต่กล้าแนละ้วบางทีร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งไม่ได้ท่านก็ภาวนาในท่า น, นอนได้ก็อยู่ที่กําลังท่านท่านอยู่ในท่า น, นอนแนละ้วภาวนาไม่หลับก็ใช้ได้แต่ท่าหลับก็ไม่ควรจะใช้ท่านนันเพราะไม่เกิดประโยชน์มันก็เป็นเหมือนยานอนหลับท่านเองช่วยให้นอนหลับ ง, ง่ายก็ได้โอเคหนะ้าวันคืนนี้ก็คิดว่าทุกคนได้หนึ่ง โอกาสให้ผู้ได้ถามไม่มีใครรออยู่ในห้องแนละ้วก็คิดว่าแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนวอสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเธอ